มันก็จบไปอย่างนี้เป็นต้นวัานั้นปฏิบัติตัวแรกเขาต้องปฏิบัติกามก่อ น, นปฏิบัติกามเมื่อกามดับก่อนจะปฏิบัตินี่คุณจะต้องต้องการจะต้องการดับดับชาติต้องต้องการการคำว่าต้องการในภาษาคำว่าต้องการก็คือตัณหาแน่เลยเพราะฉะนั้นคนก็ไปติดใจว่าทัากกิเลสคือตัณหาตัณหามีเนี่ย มันมันไม่บรรลุธรรมรเพราะฉะนั้นจะต้องแห้ตันหาเกิดไม่ได้มันก็เลยเกิดการขัดข้องก็เราอยากจะดับกามาพบอยากดับรูปะพบอยากดับอรูปะพบอยากดับแต่มันเกิดอยากแล้วมันก็เลยคิดไม่ได้เลยไม่อยากเมื่อไม่อยากก็ไม่ต้องทำอะไรอมันจะเป็นยังงน่ะ พรไปติดที่บัญญัติภาษาความจริงแล้วาศาสนาพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้ไปพาซื่อจนกระทั่งว่าดับตัณหาดับเวทนาดับสัญญานะดับอะไรดับสิ่งที่ท่านบอกท่านพูดไว้นะดับเวทนาเป็นต้นดับสัญญาเป็นต้นก็ไม่ใช่ไปดับเวทนาทั้งหมดเวทนาในเวทนาอย่างนี้เป็นต้นหรือสัญญาในสัญญาสังขารในสังขาร ต้องพิจารณาอ่านเข้าไปความจริงมันมีอะไรปรุงแต่งกันอยู่เรียกว่าสังขารนะว่าใ น, นสังขารต่างๆนี่แหละการปรุงแต่งกันอยู่เนี่ยเราก็ต้องรู้รายละเอียดของสิ่งเหล่านี้แล้วก็ดับเพราะฉะนั้นการจะดับพบดับชาตินี่ก็กต้องมีความต้องการจะดับความต้องการจะดับไม่ให้มีพบไม่ให้มีชาติคําว่าไม่มีพบไม่มีชาติก็หมายก็ภาษาบาลีว่าวิภาวะหรือวิพบ ภราะวก็คือพบวิพราะาก็คือไม่มีไม่มีพบเพราะฉะนั้นความต้องการจะไม่มีพบก็เป็นตัณหาตัณหาเป็นล้างพบเรียกว่าตัณหาเป็นล้างตัณหาเป็นร้างกามมตัณหาเป็นร้างภวะตัณหาเมื่อล้างการมตัณหาได้ล้างภาวะตัณหาได้จบไม่มีพบเพราะต้องตามหาชาติที่มันทำให้เกิดพบ อาการเกิดชาติทีนี้ถ้าไปเข้าใจว่าการเกิดชาติคือการเกิดจากท้องพ่อท้องแม่ออกมามาเป็นชาตินี้หนึ่งชาติเราได้เกิดเป็นผู้ชายหนึ่งชาติเราได้เกิดเป็นผู้หญิงตั้งแต่ตัวเล็กตัวโตตัวแก่จนตัวตายหมดไปชาตินึงไอ้ยังนี้ก็ไปต้อไปดับมันหรอกมันดับเนี่ย ชาติอย่างนี้มันดับเนี่ยบางคนดับตั้งแต่อายุน้อยตายก่อนตายก็คือดับบางคนก็ดับจนแก่ตายแก่ตายตายเมื่อไรดับเมื่อนั้นไอชาติอย่างนี้ดับมันเป็นเรื่องธรรมดาสามัญมันมีใครไปต้องการดับหรอกมันก็ดับของมันแต่ที่เราต้องการดับมีตัณหาหรือมีความปรารถนามีความประสงค์ที่จะดับนั้น คือดับชาติที่ต้องเข้าใจแล้วว่าเออแล้วอะไรมันชาติแท้ๆพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเต็มสิชาติข้อนี้อยู่ในชาติอันนี้พระไตรปิฎกเต็มสิข้อ7น่าจะเป็นจริงอาตมาประจําได้นะพอดีพระไตรปิฎกเต็มสิบเอเออเต็มสิ อ, อยู่ที่นี่เปิดทันทีอาตมาตอนนี้นี่กาพระไตรปิฎกเอามาอธิบายไม่เอา ให้มันออื่นมาอ้างอิงให้มากนะักเอาพระเจริญดกนี่อ้างอิง ก, ก็จะได้ไม่เทียงมากไม่งั้นเราหาว่าอาตมาไี่พูดเรเองหมดจริงจรงอาตมา ก, ก็พูดเองเยอะเหมือนกันแต่พูดเองในปฏิพานปัญญาในสภาวธรรมที่มันเห็นจริงอันนั้นไม่ได้ไปโมเมซึ่งยืนยันว่ามันมาจากสัจธรรมต้นต้นข่าวของพระพุทธเจ้ า, จาแท้ๆทั้งนั้นนะอย่างที่กําลังจะอ้างอิง แต่เ้าเปโตรเริ่ม16กข้อ7็ก็ชาติเป็นไนความเกิดอาตมาก็ตามไปถึงบาลีความเกิดบาลีท่านบอกว่าชาติชาตินี่แหละความบังเกิดตัวที่สองท่านก็ใช้คำว่าสัญชาติสัญชาติต่อมาตัวที่สท่านแปลมาเป็นไทยว่าความหยางลงภาษาบาลีท่านใช้คำว่าอกกันติ ตัวที่สเกิดตัวนี้นัานก็แปลว่าเกิดมันลงเลยพระบาลีก็คือนิพพัตติตัวที่ห้าถ้าแปลว่าเกิดจำเพาะนะซึ่งอันนี้อาตมาว่าคนก็คงจะฟังยากอยู่ครัว่าเกิดจำเพาะเกิดจำเพาะ มันยังไงมันเกิดจำเพาะน่ยฝังมันก็เยากๆภาษาไทยเนาะก็จำเพาะหรือเกิดเฉพาะจำเพาะเฉพาะมันก็มีความหมายเดียวกันจำเพาะอันนี้เฉพาะอันนี้การเกิดเฉพาะที่จริงมีความหมายถูกต้องอยู่มันเป็นการเกิดพิเศษเกิโดยเฉพาะเกิดจำเพาะเรื่องของเรื่องเนี้ยเรื่องการเกิดอันนี้ที่กําลังพูดเนี่ยการเกิดอันเนี้ย แล้วมันจะเป็นยังไงโปรดตั้งใจฟังดีๆจะสาธยะให้ฟังว่ามันจะเป็นเกิดกันยังไงนี่แหละคือความปรากฏแห่งขันเพราะการประกาศอาการปรากฏแห่งขันนี่มันก็มีการเกิดขันต่างๆรูปขันนามขันนามขันก็มีเวทนาขันสัญญาขันสังขานขันวิญญาณขัน และอาการเกิดเหล่านี้ท่านก็ไม่ให้เป็นดับขันทั้งหมดเวทนาดับเวทนาไปทั้งหมดแต่ก็พูดกันโดยสั้นๆหัดหลัดๆๆๆวัด ว, ว, วัดก็เวทดับเวทนาดับสัญญาแล้วมันก็เป็นที่โลดจะไปแปลสัญญาเวทที่จะเนทโรดว่าดับดับเวทนาดับสัญญานี่ก็แปลกันอยู่เต็มเลยจะว่าผิดก็ไม่ผิดแล้วก็ดับเวทนาในเวทนาสัญญาก็ในสัญญา ก็ดับยิ่งสัญญาและยิ่งเข้าใจะยากใจเลยเพราะว่าของพระพุทธเจ้าแล้วนี่ไม่ดับสัญญาเลยถ้าคืนดับสัญญาเลยในข้านแย่งกับคําสอนว่าพระพุทธเจ้าทำไม่เอานีดับสัญญาเนี่ยหมายความว่าสัญญามันเป็นเป็นตัวดับไปภาษาบาลีก็ว่าอสัญญีอสัญญีหมายความว่ า, วาความดับของสัญญาสัญญามันดับไปอันนี้ไม่เอาดับจิตจริงนี่ไม่เอาเลย ดับสัญญาอย่างนี้ไม่เอาเลยมันก็ขานแยงง่าดับสัญญาก็คือสัญญาดับไปทั้งอันเลยใช่สัญญาในสัญญาดับแต่ตัวสัญญานี่แหละจะเป็นตัวที่รู้แจ้งเลยกำหนดรู้แจ้งเลยว่าโอ้เจอแล้วความดับเพราะฉะนั้นสัญญาที่มันรู้แจ้งแล้วก็ทำได้จบดับชาติได้สิน้น ส mm, sure, hmm. ัญญามันก็กำหนดรู้ส่งไปเป็นปัญญาสัญญาเป็นตัวกำหนดรู้ก่อนจะไปเกิดปัญญามันสัมผัสก่อนปัญญาสัญญาสัมผัสก่อนปัญญามันเรียนรู้ก่อนปัญญาเป็นตัวกำหนดหมายกำหนดรู้เมื่อมันเจอความดับคือดับกิเลสได้จิตดับกิเลสได้เพราะจิตดับกิเลสได้ส่งไปเป็นปัญญาก็หมดหน้าที่สัญญาแล้ว นั่นคือสัญญาดับจริงๆสัญญาไม่ได้ดับเลยนะแต่สัญญาหมดหน้าที่มันสำเร็จแล้วเห็นแล้วรู้แล้วว่าตัวนี้ดับเป็นอย่างนี้รายงานไปสัญญารายงานไปไม่ได้รายงานว่ามันดับเฉยๆนะสัญญามันกำหนดรู้หมดเลยมันดับยังไงอะไรยังไงมันรายงานไปเป็นปัญญาหมดแหละและพอ ดับจบมันรายงานจบมันก็จบสัญญาการจบสัญญานั่นแหละเป็นหมดหน้าที่สัญญาเรียกว่าสัญญาดับโดยสำนวนโวหารแต่สัญญาไม่ ไ, มได้หยุดทำงานมันไม่ใช่ว่าม่รู้อะไรเลยมันรู้เลยว่ามันดับอยู่ดับอยู่มีหยรติดับอยู่ดยโดยเฉพาะลึกเข้าไปอีกอะไรแหละที่มันจะดับจริงๆชาติจริงๆตัณหาพูดไปก่อนนะเมื่อกี้นี้ ตนา t h i ก็คืออุปทานอุปทานที่มันอยู่ในฐานะของตัวนิ่งนิ่งสงบสงบเรียกว่าอยู่ในสถานะของความสงบความกดดา น, นิ่งนิ่งเรียกว่าอนุไซเรียกว่าอาสวะมัน ก, กบกดอยู่ใต้กลนบึงของจิตพอมันคลื่นไหวขึ้นมาเคลื่อนไหวขึ้นมามา มาแสดงบทบาทจากตัวที่มันสั่งสมเป็นอุปทานมันอยากอะไรมันต้องการอะไรมันอยากเป็นอย่างไงมันจะเี็ความต้องการของมันเกิดขึ้นมาอุปทานก็คือมันยังไม่ดับความต้องการยังไม่ดับกิเลสมันเกิดอาการขึ้นมาอะไรก็เรียกว่าตัณหามันจะรู้ง่ายมันเคลื่อนไหวถ้ามันนิ่งๆนี่ก็รู้ยากแต่ถ้าใครสามารถไปรู้มันได้เลยที่ตัวอุปทานเนี่ย มียานย่างลึกได้เลยไปอา่านอุปทานรุ่นได้รู้หน้าตา ม, มาเลยนี่มันยังยึดอยู่เรายึดอุปทานกับการยึดอยู่นิ่งอยู่เคลื่อนออกมาทํางานออกมามีพลังงานดิ่นออกมาเรียกว่าตันหาเพราะฉะนั้นสองตัวนี่ตันหาหรืออุปทานเนี่ยดับตัวไหนได้ก็ดับเลยเหมือนกันนะดับตัวไหนได้ก็ดับเหมือนกันเพราะฉะนั้นดับตันหาได้ดับอุปทานได้สนิทพบก็ดับชาติก็ดับพราะพบชาติเป็นปัจจัยของ อุปทานเป็นปัจจัยของตันหาตามหลักปฏิจจสมุปบาทราะดับตัวนี้ได้พบก็ดับชาติก็ดับนี่คือการดับพบดับชาติดับตัวนี้เป็นสมุทยัยดับตันหาหรือดับอุปทานที่นี่จะเกิดตันหาจะเกิดอุปทานนี้อย่างอ่านความเป็นจริงเลยไม่ใช่ไปนั่งคิดเอาคุณไปนั่งคิดเอา หรือแม้แต่คุณนั่งหลับตาสมาธิเข้าไปอยู่ภายในแล้วคุณก็ระลึกโด้ย ก, ยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาวะแล้วก็นึกถึงสภาพการเกิดกิเลสอย่างนั้นเกิดกิเลสอย่างนี้เกิดคิดถึงเรื่องราวเก่าๆเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็เห็นขึ้นมาไอ้อย่างนั้นมันก็เป็นเรื่องของวิมานเรื่องของสิ่งที่อยู่ในจิตวิมาน เป็นเรื่องพบการสร้างมโนมยอัตตาสร้างเรื่องสร้างราวสร้างความจำดึงเอาความจำขึ้นมาคิดมาคิดมันไม่ใช่ปัจจุบันธรรมมันไม่ใช่ความจริงที่เกิดจริ ง, รงๆหลัดๆอาการครบครบทั้งหมดเรียกว่ากายสังขารการปรุงแต่งร่วมกันอยู่ของกายทั้งหมดเรียกว่ากาสังขารมีทั้งภายนอกและภายใ น, นมีทั้งสองอย่าง คำว่ากายจะสังขารมีทั้งสองอย่างแต่คำว่ากายจริงๆเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงร่างทางนอกเท่านั้นตัวสำคัญที่สุดของกายนี่คือน้ำคือจิตเจตสิกฟังให้ดีกายคือจิตกายนี่ตัวสำคัญคือจิตเจตสิกเพราะฉะนั้นในคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ที่จะดับนะ จะดับกายเนี่ยให้เป็นกายสงบเรียกว่ากา ย, ยปฏสซัมพยังก็ตามทำความสงบระงับให้แก่กายหรือมันสงบเลยเรียกว่ากา ย, ยปัสติกายสงบกายปฏิสธิกายปฏิ ส, ธ, สธิเนี่ยแม้ในพจนานุกรมบาลีไทยก็แปลตรงๆเลยว่ากายปัสิสธิคือความสงบระงับของ กองเวทนากองสัญญากองสังขารแล้วเวทนาสยาสังขารนี่มันอะไรมันร่างเลยมันร่างข้างนอกเลยนะมันมันร่างข้างนอกเลยมันแขนขาเนื้อตัวหูตาปากจมูกเลยมันไม่ใช่ก็ระบุูไว้ชัดแล้วในพจนานุกรมเลยใน พระไตรปิฎกก็ตามก็มีระบุไว้ชัดว่าการระ ง, งับอันนั้นคืออันนีนะ้หรือแม้แต่ในพระไตรปิฎกเล่มอื่นมีมอีกนะที่ขยายความใกล้ๆเคียงกันยังมีท่านธรรมนิยโมเอามาให้อีกเล่มหนึ่งาครูนเนี่ยนะเล่มยี่สี่ ก็เมื่อกี้อัตมาจดแผนแมพอยู่นะแต่ว่าไม่ได้ติดมือมาอก็ว่าจะอธิบายเกี่ยวยกับพันธ์กันเรื่องนี้มันก็น่าจะมีมาพอพูดไปแล้วมันก็ลงไปถึงทุกทีแต่จําเนื้อหาได้ท่านบอกว่ากายสังขารคืออะไรเป็นเชนะ่นไรกายสังขารระ ง, งับกายสังขารสงบระ ง, งับ กายคือการปรุงแต่งกันอยู่ของกายสังขารมันระงับเป็นไฉท่านก็บอกว่ า, าความเป็นฌานความเป็นฌานเพราะงั้นการทาฌานคืออะไรทำฌานก็คือทำใจให้สงบระงับและใจให้สงบระงับก็คืออะไรก็ให้กาม ให้พยายามบ่า ท, ทินามิตาอุตจกัจกขุกุจจะไมจิกิจฉาให้มันดับให้มันระ ง, งับนั่นคือฌานเป้าไม้แท้ของฌานคืออ น, นั้นก็คือจิตทำที่จิตนั้นดับจิตระ ง, งับไม่ได้หมายคำว่ากายระ ง, งับคือกายไม่กระดุกกระดิกแล้ว ร่างไม่ใช่กายเพราะกายเนี่ยมันต้องมีน้ำกายคือจิตอัตมาพูดอย่างเรียกว่าเป็นนักแม่นปืนยิงไม่เคยน่องเป้าเลยยิงที่อะไรเป้าเดียวเป๊ะเลยศูนย์กลางเป้งเลยศูนย์กลางเท่ากับเส้นผมนะศูนย์กลางไม่ใหญ่ด้วยเท่ากับเส้นผมเลยเป้งเลยยิงภายในระยะทางาพันเมตรถูกศูนย์กลางเลยถูกเป้งเลย ถูกต้องจุดเส้นผมนั่นถึงอย่างงั้นเลยนะอาตมาพูดเปี้ยงเขาไปเนี่ยยิงเข้าเป้าอย่างเงี้ยกายคือจิตที่อาตมาเจตนามาอธิบายเรื่องเหล่านี้ซ้ำซากย้ำพูดไปคุณไม่อาตมาไม่เบือ่อคุณจะเบื่อก็เรื่องของคุณอาตมาพูดเองอาตมาไม่เบื่อเลยคุณอยากเบื่อก็เรื่องของคุณ อาจมาก็ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ได้ไปบังคับอะไรได้หรอกใครจะเบื่อไม่เบื่อแต่ใครคิดว่าโอ้ไม่เบื่ อ, อ, อหน้าฟังหน้าฟังโอสาถุสาถุาที่อาจามาย้ำแล้วย้ำอีกเรื่องราวนี้ก็เพราะว่ามันเพี้ยนกันมันเข้าใจหยาบมันเข้าใจตื้นโดยเฉพาะไปเข้าใจคำว่ากายนี่คือร่างคือร่างข้างนอกความจริงมันเกี่ยวข้องกับข้างนอกดินน้าไฟลมเกี่ยวข้อง สัพทต่างๆหูจมูกดินกายเกี่ยวข้องแต่มันเนื้อแท้หมายเอาองค์ประชุมที่จะต้องขั้นประมัดประมัดคือจิตเจตสิกรูปนิพพานต้องไปรู้ข้างในอันนั้นเพราะฉะนั้นจะสงบระ ง, งับก็จะต้องรู้ว่าระ ง, งับอะไรไม่ใช่ไปดับจิตให้เป็นอสัญญาดับเวทนดับสัญญาไม่รับรู้เลยความรู้สึกก็ไม่มีเวทนาเป็นพวก เขาเรียกวางวาง ว, างวางยาเนี่ยวิสัญญีไม่ใช่หรืออสัญญีจริงอสัญญีนี่ยิ่งหมายถึงจิตมันไม่รู้เรื่องอะไรเลยเทวิสัญญีนี่เป็นแต่เพียงว่าไม่รับความรู้สึกจากร่างกายผ่าตัดอะไรตอะไรไปจิตอาจจะปรุงอะไรไปตามเรื่องตามราวโอ้โหไปนรกไปสวรรค์อะไรในพวกถูกวางยาสรุปออกมานี่ไปไปนรกไปสวรรค์เยอะคือฟุ้งซ่านไปตามภาษาปั่นเรื่องมันก็เหมือนฝันนั่นแหละ ไม่ใช่อย่างนั้ น, นาการสงบระ ง, งับไม่ใช่ไประ ง, งับตัวร่างข้างนอกนี่ไม่ให้มีประสาทรับรู้ไม่ใช่ดับตัวไปกวนในจิตตัวกวนคือกิเลสตัณหาอุปาทา น, นาตัวกวนนี่คือกิเลสตัณหาอุปาทานเพราะฉะนั้นถ้าทำให้กิเลสตัณหาอุปาทานมันดับได้นั่นแหละสงบระ ง, งับได้อันนั้นแหละคือการดับชาติ ชาดับพบดับชาดับพบก็ดับเพราะฉะนั้นสรุปแล้วง่ายๆการดับพบดับชาติคือดับภาวะไอกา ม, มาตนะกับภาวะตัณหาเพราะผู้ที่ดับได้แล้วคือผู้มีวิภาวะตัณหานี่คือการสรุปไม่มีพบแล้ว พบกับชาติแล้วแปลกหูแน่ผู้ที่เรียนมาแม้แต่ดาทพระอภิธรรมรามอะไระไรมาในอาตมาว่าแปลกหูแน่ได้ฟังสิ่งไม่ได้เคยได้ฟังแน่และอาตมามั่นใจว่าไม่ได้พูดผิดเลยพูดถูกยิงนักแม่นปืนถูกเป้าในระยะพันเมตรแล้วเป้านั้นคือ แค่เส้นผมเข้ากลางเป้าเลยเปี้ยงเลยขอยืนยันเะพราะผิดพลาดกันอย่างนี้แหละถึงปฏิบัติธรรมนะกายสงบกบระบอว่ากายนั่งนิ่งนงอยู่ในที่สงัดสงบนะไปสู่ที่สงัดสงบซึ่งอาตมาสงสารสงสารสงสารตรงรที่เข้าใจไม่ได้ว่าถ้าเพ้อว่าท่านผู้ใดที่จะทำความสงบแบบอาณาปานสติ เขาเป็นนั่งตั้งกายตรงดํารงสติคงมั่นไปนั่งในที่ไหนในนั่งในป่าก็ตามในเขาก็ตามในธรรมก็ตามนะหรือในที่แจ้งในลอมฟางให้ลอมฟังนี่ไม่ใช่ป่านะลอมฟางนี่ของชาวนาอยู่ในเมืองนะอยู่ในชนบทก็ได้อ่าอยู่ในเมืองของคนลอมฟาง รู้จักรองฟางนะฟางเนี่ยมากองพเนินเข้าของบ้านที่เขาทํานาแล้วก็มีฟางเอามา ก, กองเสร็จนาก็เอาฟางมา ก, กองไว้สําหรับเลี้ยงควายต่อไปนี่เรื่องของแต่ก่อนเดี๋ยวนี้ก็ยากแล้วพูก็ไม่เคย ร, รู้เรื่องอยู่คนในกรุงนี่พูดไม่เคย ร, รู้เรื่องหรอกนะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่ว่าเราไม่เข้าใจตรงแค่นี้นะที่ท่านตรัสไว้ในปัจจุบันว่า ผู้ที่นั่งตั้งกายตรงนรมนสติคงมั่นเพราะว่าผู้ที่จะอยู่ป่าก็ดีอยู่เขาก็ดีอยู่ถ้ำก็ดีท่านพูดเผื่อเผื่อคนที่ปฏิบัติอาณาปานะที่จริงอาณาปานสตินะปฏิบัติลืมตาปฏิบัติทุกเวลาที่มีลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วก็ปฏิบัติกายคตาสติปฏิบัติสติปัฏฐานปฏิบัติไปเลยปฏิบัติทั้งกายคตาสติปฏิบัติทั้งสติปัฏฐาน โดยเฉพาะตัวสติปัฏฐานนี่แหละเป็นตัวปฏิบัติสาคัญถ้าปฏิบัติสติปัฏฐานไม่เป็นแล้วก็ไม่ไปแยกกายกตาสติกับอาณาปานาสติโดยไม่เข้าใจเนื้อหาว่าจริงๆแล้วเนี่ยปฏิบัติกายคตาสตินั่นแหละเป็นการปฏิบัติธรรมธรรมดาของทุกคนทุกเวลาทุกขณะแต่ถ้าเผื่อว่า จะไปนั่งตั้งกายตรงดำรงสติคงมั่นอยู่ในป่าก็ดีในที่เงียบๆในที่ไม่มีใครหรือแม้แต่ในที่แจ้งในล้อมฟางในที่สงัดสงัในที่หลับลับตาคนในที่ไม่มีอะไรจุนจ้านก็ดีถ้ามีคำว่าก็ดีด้วยนะอยู่ในป่าก็ดีในเขาก็ดีในถ้าก็ดีในที่แจ้งก็ดีในลอมฟางก็ดีเผื่อไว้ว่าสมัยนั้นมันคนปฏิบัติธรรมคนไปออกไปป่ากัน แม้คุณจะไปอยู่ป่าแล้วคุณจะทําอารนาปานสติก็ดีคุณก็จะต้องเรียนรู้รายละเอียดของอันนี้อย่าให้ขาดกายเป็นต้นซึ่งเป็นลึกซึ้งมากเลยกายคือเหลือดลมดินน้ำไฟลมเลือดลมมันสัมผัสรู้ได้ความร้อนอ่อนแข็งมันก็ไม่รู้จะเป็นอุณหภธาตุไฟธาตุไฟก็ยากกําหนดรู้ยากแต่กําหนดรู้ลมนี่ง่าย กำหนดรูปดินมันดับตาก็าไปแล้วนั่งที่ตั้งกายตรงลำลองสติคงมันไอ้ดินกับ น, น้ำ ม, มันมันไม่แล้วเพราะฉะนั้นเหลือลมที่มันอยู่ในตัวเราที่จะออกมาแล้วก็เป็นตัวเคลื่อนไหวที่รู้ได้ง่ายที่สุดในร่างกายเราก็กําหนดรู้นี้เข้าออกยาวแต่ในขณะเข้าอย่าทิ้งลมอย่าขาดลมอย่าขาดข้างนอกความหมายชัดๆพระหิทธา ไพทารูปานิปัสสติต้องเห็นลมอยู่ขนาดอ่านเห็นข้างนอกด้วยอ่านไปข้างในด้วยนั่นเรียกว่ากายสังขารถ้าขาดลมก็ไปข้างในไม่มีกายสังขารไม่หมายถึงกายสังขารไปหมายถึงจิตสังขารขาดกองลมไม่รับรู้กองลมหลับตาเข้าไปอยู่ภายในแล้วขาดจากกองลมแล้วไม่รับรู้กองลมแล้ว เรียกว่าจิตสังขารเพราะฉะนั้นในขณะที่มีกองลมเนี่ยต้องมีสัมผัสข้างนอกและจริงๆแล้วไม่ใช่แต่ลมแค่นั้นดินน้ำไฟด้วยทุกอย่างที่สัมผัส ด, ด้วยมหาพูทธ ร, รูปต่างๆทุกอย่างตากระทบรูปหูกระทบเสียงกระทบกลิ่นทั้งทวารทุกทวารและกระทบทั้งดินน้ำไฟลมมหาภูตธ ร, รูป เกิดวิญญาณอ่านวิญญาณมันเกิดวิญญาณนั้นคือเจตสิกสามคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นคือเจตสิกสาทำงานสังขารกันอยู่ท่านแยกให้เรียนรู้แยกไปให้เรียนรู้ชัดมากเลยในปฏิจจสมุปบาทท่านแยกว่าเรียนรู้นาม รูปคือมหาภูตรูปกับอุปาทายรูปนะรูปคือมหาภูตรูปกับอุปาทายรูปส่วนนามคือเวทนาสัญญาเจตนาผัสสนี่ผัสสนี่นาม ผัสสะนี่น้ำต้องมีผัสสะตาหูจมูกทิ้งกายมีโภภพธพภะมีผัสสะไม่ใช่ธรรมารมนะไม่ใช่เรื่องข้างในนะไม่ใช่หมดผัสสะแล้วน ะ, ะเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจผัสสะตัวนี้ไม่ได้และสุดท้ายทุกันผัสสะดับขออธิบายลัตรงนี้สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานฟังมาแล้วจะงงผัสสะดับไม่ใช่มันหมายว่าตาไม่เห็นรูปแล้วไม่กระทบรูปแล้ว หูไม่กระทบเสียงแล้วไม่ใช่เหมือนที่สัญญาที่อาตมาอธิบายเมื่อกี้แล้วว่าสัญญาดับสัญญาไม่ได้ดับเลยสัญญานะ่าจะทํางานจนกระทั่งรู้ว่าตัวเหตุปัจจัยสมุทยัยมันดับนั่นเลยก็หมดหน้าที่สัญญาชั้นเดียวกันผัสสะดับคือผัสสะหมดหน้าที่ <Okay. S 1> ผัสสะมันหมดหน้าที่แล้วเพราะอะไรเพราะมันดับแล้ว เหตุที่มันทำให้วุ่นวายอะไรต่างๆมันดับแล้วดับโดยมีผัสสะตาหูจมูกริมกายมีข้างนอกด้วยมีมหาพูตรูปด้วยจึงต้องมีผัสสะเพราะฉะนั้นในนามเน ป, ปฏิสบุบบาทในพระไตปิฎกเล่ม16เนี่ยข้อ14อันนี้นามมารูปเป็นไนทะ่านก็แยกฟังว่านามมารูปเป็นนะี้ คือนามได้แก่เวทนาสัญญาเจตนาผัสสะมนสิการรูปได้แก่มหาพุทธรูปสี่และถ้าแปลเป็นไทยว่ารูปที่อาศัยมหาพุทธรูปสี่ก็คืออุปามหาพุทธรูปเครืองอุปาทายรูปนั่นแหละอีก24รวมทั้งหมดก็เป็นรูป28นี่คือรูปส่วนนามนั่นคือเวทนาสัญญา เจตนาผัดสะมณสิการเพราะฉะนั้นในอัตมาบอกว่าวิญญาณนี่คือเจตสิกสาเวทนาสัญญาท่านก็บอตรงๆอยู่แล้วมีเวทนามีสัญญาส่วนสังขารหายไปสังขารเลยไปแจกเป็นเจตนาผัดสะมณสิการนี่คือนามคือวิญญาณทั้งวิญญาณวิญญาณคือเจตสิกรามพอแจกเป็น5วิญญาณก็คือห้านี่ วิญญาณก็คือห้าก็คือเจตนาสัญญาสังขารก็แจกกลายเป็นเจตนาผัสสะและมนสิการเจตนาคืออะไรเจตนาก็คือตัณหาเพราะฉะนเมื่อมีตัณหาผัสสะแล้วก็มีตัณหาเมื่อมีตัณหามีผัสสะมันก็เกิดการปรุงแต่งขึ้นมา ก็อ่านการปรุงแต่งมณสิกการนี่แหละคือจิตมันปรุงแต่งก็จัดการกับไอ้จิตปรุงแต่งไอ้จิตที่มันปรุงแต่งชำระมันชำระมันปรับปรุงมันตกแต่งมันทําให้มันเจริญทําให้มันดีทําให้ตัวในไล่เอาออกตัวในดีเอาไว้นี่คือมณสิกการการทําใจในใจทําอย่างแยบคายเรวญิโส so. ทำอย่างทองแท้ทำอย่างถูกต้องจริงๆัง ทำอย่างลงไปถึงที่เกิดโยนิโสลงไปถึงที่เกิดชาติแล้วนะที่เกิดนี่คือสัมภาวะลงไปถึงที่เกิดมณสิการมีสัมภาวะคือที่เกิดคือแดนเกิดเพราะงการทําให้ถึงสัมภาวะไม่ถึงปัจจาวะไม่ถึงที่เกิดแดนเกิดเกิดคืออะไรเกิดก็คือถ้าไอตัวผีเกิดเรียกว่าชาติหรือสันชาติ สัญชาติคือมาจากเกา่าแล้วก็ติดมาเป็นสัญญาเรียกว่าสัญชาติท่านแปลว่าความบังเกิดโอกกันติตัว ก, กลางบอกไปแล้วเมื่อกี้นี้ในข้อที่7ชาติมีชาติสัญชาติโอกกันตินิพพติอภินิพัติพรา น, นไอชาติกระสัญชาติเนี่ยมันเป็นองค์รวมของการเกิด เพราะการเกิดที่อวิชาก็จะอยู่กับไอชาตสัญชาตินี่เท่านั้นพอเริ่ม ร, รู้เริ่มเรียนก็จะมีอกกันติมีความยังลงท่านไปแปลอกกันติว่าความยังลงอะไรยังลงกิเลสยังลงทำให้กิเลสดับไปก็เกิดความยังลงของการบรรลุใหม่การเกิดใหม่อะไรเกิดอุบัติเทพเกิดอุบัติแปลว่าเกิด เกิดเทวดาใหม่เป็นเทวดาโลกุตระแต่ก่อนนี้มันไม่ได้เรียนรู้มันเกิดเป็นเทวดาสมมุติสัาพและปรุงแต่งปา้ากิเลสเป็นตัวจัดการหมดเลยแต่ตอนนี้มาเลยเราไม่ได้ให้ิเกตจัดการเราจัดการกิเลสตอนนี้เราจัดการกิเลสรู้หน้าตากิเลสเลนี่ยอะไรมณสิการนี่คือการจัดการคือสังขารการจัดการจัดการทําอะไร จัดการเอามันออกกำจัดมันให้ได้ตัวเหตุเนี่ยเพราะฉะนั้นจะเกิดขณะมีผัสสะและต้องมีเจตนามีความมุ่งหมายในโลกีในกามภพในปุตชนมันมีเจตนาจะเสพสุขสุขได้กามและอีกอย่างนึงเสพ บ, บมเืออัตตาเหมือนกันเป็นอัต ถ, ถัตสุขกามาสุขอัตทัตะสุข สุขที่มันเกิดอัตตากับสุขที่มันเกิดกามนี่เว็นโลกธรรมหรับยศสันเรินสุขคุณก็เบื่อตนอยู่อย่างนี้พนเพราะฉะนัคุณกเกิดเป็นคนโลกโลกเกิดเป็นคนที่มีกิเลสเจริญงอกงามอยู่ตลอดเวลาเพราะตอนนี้เราไม่เอาแล้วเรียนรู้เมื่อเรียนรู้คุณก็ตั้งหลักอกกันตินี่คือเริ่มเรียนรู้เริ่มรู้ทิศทางจับตัวกิเลสได้ กำจัดกิเลสลดลงพอกิเลสลดลงลดลงลดล ง, ล ง, ลงคุณก็เกิดใหม่เป็นอุบัติเทศเห็นความจางคลายของกิเลสจนถึงความดับกิเลสมันดับทำให้มันดับได้พอทำให้กิเลสดับได้กิเลสก็ไม่เกิดคือนิโรธมันดับคือนิโรษมันดับมมีความดับนิโรธแปลวความดับ ถ้มีญาณเห็นมีสัญญากำหนดรู้แล้วก็เป็นปัญญาเป็นญาณเห็นเห็นเลยเรียกว่าสัจฉิเรียกว่ า, วาแจ้งเห็นอย่างจ้งแจ้ ง, จงเลยเห็นอย่างรู้รู้เลยรู้ของจริงตามความเป็นจริงเลยนามธทรมลึกเป็นปรมตาลึกซึ่งตอนนี้เห็นความดับก็บเห็นความเกิดอะไรดับอะไรเกิดนันกเรียนตอบอะไรเกิด เทวดาเกิดอะไรดับผีดับกิเลสดั บ, ดบถ้าดับได้เกลี้ยงก็เป็นวิสุธทธิเทพเพราะฉะนั้นการเกิดจากโอกกันฐินี่เป็นการเกิดที่จุกลางตัวกลางของชาติสัญชาติโอกัณฐินิพัตติอ น, นิพัตติอภินิพัตติเพราะตัวกลางนี่เป็นตัวที่เห็นความเกิดความดับและทำความเกิดความดับ ยังลงสู่ความสําเร็จโอกันติยังลงสู่ความสําเร็จหรือยังลงไม่สําเร็จแต่ถ้าไม่มีความรู้อวิชามันก็ยังลงซึ่งกิเลสหนาขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้นและหนาขึ้นตลอดกาละนานเพราะอาวิชชาใช่ไหม และทุกคนมีเจตนาอะไรเจตนาจะต้องได้สุขได้สุขอะไรก็สุขเทศน่ะคาลิกะอริกะสุขาลิกะสุขสเทศนะ่ะกามาสุขเทศอัตรัถสุขกกเทศสุขบำเรออัตตาก็เทศสุขบำเลอกา็เทษตร ถ้าเมื่อเราสามารถทําลดลงได้การเกิดเป็นอุบัติเทพก็คือนิพพัติชาติการเกิดเกิดท่านแปลในนี้ใบตัวเดียวว่านิพพัติก็แปละวะ่าเกิดมันตัวเดียวอ่ะสวนอภิิภนิพพัติท่านแปละวะ่าเกิดเฉพาะก็ถูกแล้วมันเกิดเฉพาะเรื่องเลยเฉพาะกิจเลยมันเกิดเฉพาะเรื่องเนี้ยมันไม่จะเกิดจากต้องพ่อต้องแม่ มันจะการเกิดอย่างที่เข้าใจกันตื้อๆง่ายๆอย่างนั้นเป็นการเกิดของโอปปาติกะของจิตวิญญาณโอปปาติกะคือจิตวิญญาณเพราะงั้นการรู้จักพบรู้จักชาติเมื่อดับชาติการเกิดอย่างนี้ได้จนกระทั่งเป็นการเกิด s เ l งเป็นอภินิพัติ นิพพันิพภะนิพุทธอะไรพวกนี้นิพพัมันก็คือตัวเกี่ยวข้องกับนิพพานนั่นแหละนี่แหละการเกิดของนิพพานจะแปลว่านิพพัตติคือการเกิดของนิพพานอภินิพพัตติก็เป็การเกิดของนิพพานก็ได้ไม่ได้โมูเมืงจริงนะเรื่องจริงเป็นการเกิดของสิ่งที่มันบริสุทธิ์จากกิเลส เรียกว่าเกิดเฉพาะเรื่องเลยนี่เรื่องนี้ละการเกิดอย่างนีน้เพราะฉะนั้นคนมันก็จะงงสับสนว่าเอามหานิพพานในมหาการตายมหาการดับแล้วทำไมนราจะไปเป็นการเกิดเล่าก็มันเกิดพิเศษนะเกิดเฉพาะอภินิพัตติฮะเพราะถ้าคุณยึดอยู่แต่ภาษานิสัยอย่างนั้นะติดอยู่อย่างนั้น่ะ คนที่ยึดติดแต่ภาษาตัวนั้นอยู่อย่างนั้นน่ะคุณพีพบเป็นพบชนิดหนึ่งยึดอยู่ชนิดหนึ่งยึดติดแค่ภาษาเรียกว่าอั ต, ตวาทุ ป, ปาทานยึดได้แต่พยัญชนะภาษาไม่รู้สัจสภาวะที่อัตมาอธิบายเนี่ยอธิบายสัจจสภาวะคุณไม่รู้จริงคุณไม่เรื่องเลย คุณยึดอยูต่ภาษาคุณก็งงอยู่แต่ภาษาทําไมว่านิพพานแปลว่าดับแล้วทําไมมันพูดว่าเกิดอภินิพัติเกิดอ่าแล้วก็คุณปแปลอภินิพัติว่าเกิดหรือเปล่าหรอก็เกิดจำเพาะแล้วการเกิดอย่างนั้นนะ่ะเรียนรู้ชาติถ้าคุณเข้าใจอันนี้ไม่ได้คุณก็ยังจะเอาการเกิดอะไรอะไรของคุณอยู่อย่างนั้นนะ่ะถ้าคุณจะบอกว่าการเกิดชาติคือการเกิดจากท้องพ่อท้องแม่ ส่วนนิพพติในการเกิดทางจิตก็ได้แต่ถ้าจิตมันเกิดกิเลสเกิดการเกิดพยาบาทเกิดนิวร์แล้วมันจะไปหานิพานมามแต่ถ้ามันเกิดจากที่การดับนิวร์มันก็คือการเกิดใช่ล่ะการเกิดโดยภาษาบัญญัติว่าการเกิดแต่มันมีเกิดอะไรเกิดเพราะมันดับแล้วมันเกิดเออแหมอัตมาก็จนแต้มจนภาษาจะพูดแล้วนั้น กิคือดับดับคือเกิดดับคือเกิดใครงงยกมือขึ้นใครงงโอ้มีงงอยู่หลายคนเหมือนกันงงหลายคนเหมือนกันงงโ อ, โอ้แต่ส่วนใหญ่นี่สอบได้โอ้แบบนี้นี่ไปสอบที่ไหนได้ขนาดนี้เลยโอ้โหยกชั้นถือว่าร้อยเปอรซเ อ, อเรอแบบนี้นี่ไปกี่เปอร์เซ็นต์ แค่ไม่รู้ได้ไม่ธรรมชาติแล้วมีคนขนาดนี้เราไม่งงอยู่แค่ไม่กี่คนเพราะงงเนี่ยมันก็คือมันไม่รู้เรื่องเท่าไรเนาะเอาอีกอย่างเลยใครไม่รู้เรื่องเลยเออถามอีกทีหนักกว่ไอ้งงใครไม่รู้เรื่องเลยโอ้ nothing ไม่มีอะไรไม่มีใครได้สักคนไม่มีใครยกขึ้นคนหนึ่ง เอ้ด oh, oh. uh. ีเอออ่ก็จะรู้จักความเป็นภพชาติมากขึ้นเพราะการดับภพก็ค no. ือการปฏิบัติอย่างนี้แหละคือพุทธเอาทีนี้การไม่ได้ดับภพแล้วก็ไปหลงผิดกันอยู่เดียวนี้เต็มบ้านเต็มเมืองเต็มศาสนาพุทธนี่แหละไม่ตรงไหนก็คือการ ไปสร้างภพและสร้างวิมานวิมานคือภพนะเอายกตัวอย่างเนี่ยที่เป็นกันเต็มบ้านเต็มเมืองคือวิมานบุญจะได้บุญวิมานบุญจะได้บุญก็ไปสร้างวิมานกันไปโอ้ยมาทําทานไเยอะ ทำทานมากๆไปเรียกว่าบุญใหญ่บุญมโหราณพันรึก่างไปเถิดปั้นป้าเป็นพบเป็นชาติเป็นการยึดขันอนาคตเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่ใน62สนี่สร้างไปแล้วสร้างกันจริงไอ้นคนฟังก็มันไ ม, ไม่มีเลยมันอนาคตต้ตงนั้นปั้นขึ้นมารลอกกันไป เพอพบไปตามวิมานเหล่านั้นเพระเนาะฉะนั้นผู้ใดหลงพวกนี้เนี่ยอยู่กับการถูกหลอกด้วยพบทั้งสิ้นนั่นหลอกประเภทหลอกกันทั่วไปหมดในวงการาศาสนาพุท้แทบจะหาไม่ได้เลยที่จะไม่หลอกอย่างนี้ที่ไม่รู้จักพบชาติ ต้องการฝันว่าจะได้ราบอ่าปิมานในฝันฝันว่าจะได้ราบไอโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยที่ในฝันฝันนี่มันจะยังเป็นอย่างเงี้ยฝันว่าจะได้ราบใหญ่ราบเยอะราบหน้าข้างหน้าจะได้ยศจะได้ได้โลกกระทำจะเป็นสุขสุขทางกามสุขทางอัตตาไม่ได้เขาจะแยกได้หรอกอัตตากายมันจะไม่รู้เรื่องนะจะได้ เป็นการสร้างวิมานสร้างภพไว้สำหรับที่จะต้องได้ในอนาคตทั้งสิ้นเลยฟังดีนี้อาตมาจะเติมคำว่าอาดีตอนาคตเข้าไปเพื่อที่จะขยายพื้นฐานไปจะได้อธิบายเรื่องทิฏฐิหกสในอนาคตกับพวกเราต่อไปจะได้อธิบายเรื่องอดีตที่เป็นโดยอาศัยขันทางอาดีต18อาศัยขันทางอนาคตอีกส4 เป็นอฏิิติ62ที่ได้เริ่มต้นขึ้นมาบ้างแล้วเนี่ยจะเร่อยๆเปียนรู้ปูพื้นฐานไปเรื่อยๆ เ, เพราะฉะนั้นความไม่รู้จักพบจากชาติเนี่ยประเภทหลอกกันด้วยวิธีพวกนี้ใช้วงหารใช้คารมใช้มาเก็ตติ้งใช้การสร้างการตลาดโอ้โหจ้าบคุณได้ลูกค้าเยอะมากแล้วก็หาวิธีทําแบบขายตรง ขายบุญขายบุญคาาตรงขายตรงได้วันไดเ direct s l มีหน่วยมีกลุ่มมีหัวหน้ากลุ่มมีหัวหน้ากลุ่ม ม, มีปฏิกิริยาลูกโซ่เป็นหน่วยไปเลยกลุ่มนี้คนนี้หัวหน้าหน่วยไปไปไ ป, ไปหาคนทำทานมาได้เท่าไหร่เท่าไหร่เป็น direct sell เลยเยอะมาก มองมาคนวิมานหรือพบก็นนจนมันไม่มีเงินจะมาทำาจะไปครบทําไ ม, ไมเขาก็คบคนรวยสิไปคบคนจนจะได้อะไรล่ะครบคนจน ไ, ได้อะไรมาครบคนรวยแลวคนรวยนี่คืออะไรอยากรวยคนรวยนี่อยากรวยคนรวยนี่อยากรวยความโลภจัด มันก็เลยสนใจสิจก็เลยเป็นโลกที่ได้คนรวยทั้งนั้นเลยเราได้คนรวยนี่คืออุบายอโกศลอุบายอโกศลของที่เขาทากันคือบาปมหาศาลเลยลอให้คนหลงผิดหลงตกนรกหมกไหมพวกนี้เป็นนรกหมกไหมหมดเลยเป็นมหานรกรเวจีหมดเลยเพราะมันกิเลส กิเลสนี่แหละคือตัวนรกแล้วกิเลสอะกิเลสโลภจะต้องได้มากมาใหญ่โตไม่มีจบไม่มีสิน้นไม่มีหยุดไม่มียั้งเลยนี่คืออันหนึ่งพบนี่ฝ่ายลืมตาฝ่ายลืมตาสร้างพบกันนี่พูดง่ายๆพูดอย่างใหญ่ๆหยาบๆจะได้ลาบได้ย่นได้สั้นเซินคุณแปลงภาษาแปลงคารมอะไรโบหานอะไไปเถอะทัะ้ทงนั้นแหละอ่า โอ้พ่อค้าแม่ค้าพูดหวานนั่นน่ะถ้าพูดอย่างอธตมานี่ขายของไม่ออกอกอ่าทีนี้พวก <c oughs> พวกนี้พวกลืมตา <c oughs> ทำทานส่วนพวกศีลทศเง น, <c oughs> นิมีทานมีศีลภาวนาให้เกิดผลอันนี้เกิดผลนรกมหานรกกันแลทานโดยมิจฉาทิฏฐิ ไม่รู้จักทินนังตอนนี้ไม่รู้จักยิฐถังศีนพรสนี่คือสมาธิมิจฉาทิติสิบข้อทินนังนัติทินนังนัตถิยิฐถังนัตถิหุตังนัตถิตุกตะทุกตานังกรรมนังพลังวิปากโกนัตถิอยังโลโกนัตถิปโรโลโกนัตถิมาตานัตถิปิตานัตถิสัตวโอบปาติกานัตถิสมณรามนา สมกตาสมาปฏิปันาพวกนี้นี่คือทิฏฐิสิทธิ์นัทธนี่คือมิจฉาทิฏฐิเพราะฉะนั้นเมื่อผู้ที่มิจฉาตั้งแต่ข้อหนึ่งละทานเนติทินังไม่รู้ว่าทานนี่คือมณสิการอย่างไงจัดการทําตายใจยังไงมันจึงจะเป็นใจที่มีผลเรียกว่าอัติทินังทานแล้วมีผลอันนี้ทานก็มีผลเหมือนกันแต่มันไม่ได้มีผลตามที่พระพุทธเจ้าสอน มีผลจะเป็นภาวนาที่ต้องการเป็นสมมาภาวนาหรือภาวนาการเกิดผลที่ลดละกิเลสละนายคลายเป็นไปเพื่อความนายคลายนี่มันไม่เป็นผลทางลดละนายคลายเลยมีแต่กิเลสหนาขึ้นมากขึ้นบานขึ้นเต็มไปด้วยโลกีกหมดเลยอาตมาก็ขออาภาัยด้วยแล้วก็ขอโขขอทรัพย์ด้วยไม่ยั้งมือ ขออภัยนะจริงๆขอโขข อ, ข อ, ขอสับไม่ยั้งมือเพราะมันนานมาแล้วอตมาก็อายุปูนนี้แล้วทำงานาศาสนามาก็ยากเข้าไปทศวรรษที่4แลนะสี่ปีส5สบห้าปีเขาไปแล้วเพราะฉะนั้น ย, ยังไงก็ไม่มีการยั้งมือแล้วนะขอพูดสัจจะให้ชัดนะ บอกว่าขอยิงเข้าเป้าโดยที่เรียกว่าพันเมตรเข้าไปกลางเป้าเลยเขายืนยันว่าเข้าเป้าเลยนะแล้วเป้าเป้าเท่าเส้นขนเป้าเท่าเส้นผมเท่านั้นไม่ได้เป้าใหญ่เลยถูกเป๊ะเลยไม่มีพลาดเป้าเขายืนยันนี่พวก ทิน้นนางหรือทานแล้วทินงนงงีนเป็นคำที่สามของคำว่าทานทานที่ให้แล้วเนี่ยมันไม่มีผลอะไรอาผู้ที่ส่งประเด็นเข้ามาเชิญเอามาดูถ้ามันยังนี่ยังไม่เห็นประเด็นสักประเด็นอาตมา ก, ก็พูดเรื่อยไปเวลาจะหมดลวถ้ามีแล้วก็ส่งมาจะได้รู้ว่าถ้ามันมากก็จะได้หยุดเลยต่อประเด็นแต่ถ้ามันน้อยอ่าเข้ามาถูกทางนนี่นะไม่ไปตกไม่ไปตกลาทานนะ เพราะว่านี่ฉากลำธาร น, นะเข้ามาไม่ถูกทางตกลำธารนะมันมีลำธารที่นี่เ้ามาให้ถูกทางยังมีคาสี่ห้า 4, อันว่าไปก่อนอรรมามัรญาไปก่อนแต่ที่จริงทุ่มกับครึ่งแล้วแต่เมื่อกี้นี้ก็นอกจากจะคอสชอเอาไปสักสนาที และทางเทคนิคเนี่ยคลุกคลักไปอีก 4-5 ห้านาทีรวมแล้วยี่สิวันนาทีอาตมาก็คิดหมดแล้วอาตมาขาดทุนได้ไงเอาเวลาอาตมาทุกวันนี้เนี่ยอาตมาไม่ได้ตามล่าเลยเลล่าเวลาอย่างเดียวอย่างเดียวเลยทุกวันนี้อาตมาไม่พอต่อว่าต่อขานในเรื่องเวลาอย่างเดียวทุกวันนี้อย่างอื่นอาตมาไม่กลัวหรอก แต่แม้เวลาเนี่ยยอมแพ้เลยเดี๋ยววันเดียววั น, เ ด, ววนเดียววันแก่ไม่ทันแล้วมันจะไม่ไหวครัมักแบบนี้ว่าอยู่สองรอปีเท่านั่นเองเดี๋ยววันเดียววันเดียววันเราแก่ไม่ทันโอ้เราจะไปอยู่มันจะยังไงตายไม่ลงไวัยเหลือเกินอ้จะร <c oughs> <c oughs> ีบตายไปไหนแล้วบอกพวกนี <c oughs> <บ>้ตายหมดจะพิ<บ>่งท<บ>ี่มาดูด้แหมศึกษาด้วยกันไปด้วยกัน อ้าวต่อทีนี้เรื่องของศีลพรดเลวญิษฐ์ถังวิธีปฏิบัติเขาก็แปลยิฐถังกันในภาษาบาลีเขาก็พยายามยืนยันภาษาบัญญัติไม่ให้มันเพี้ยนนะก็เขา้เขาใจอัตมาเข้าใจแต่ตตงสงสารเข้าใจว่ามันหมายถึงเนื้อแท้ความหมายชัดคืออะไรก็คือวิธีปฏิบัติศีลพรดนั่นเองเป็นศีลประตู ป, ปาทาน หศีลปตะปรามาตมันก็มีทานมีศีลนี่แหละธรรมะผลจากทานศีลภาวนานี่แหละให้เกิดผลคือภาวนาเพราะฉะนั้นการเกิดผลหรือไม่เกิดผ ล, ก, ดผลก็คืออัตติหรือนัตติการเกิดผลก็อัตติการไม่เกิดผลก็คือนัตติก็ไม่เกิดผลก็คือไม่มีภาวนาแล้วไปแปลภาวนามันคือการปฏิบัติไม่ใช่การภาวนาเป่าการเกิดผลอย่างนี้มันก็เพี้ยนแล้ววลีอ่าภาวนามันการเกิดผลภาวนามันอันที่สาม มีทิศทิทิหนึ่งทินนังทิศที่สองยทดถังทิศที่สาหุตังหุตังนี่แหละคือภาวนาใหม่ไอ้ต้นฐานนาใหม่ทินนังอันที่สองยึดถังนี่คือศีลใหม่นะตรงๆนะเพราะการปฏิบัติศีลเพราะต้อมีวิธีการปฏิบัติกันปฏิบัติอย่างนี้ถูกต้องไหมปฏิบัติแล้วสามารถทําใจในใจให้มันเกิดนิ พัติเกิดอภิิพัติไหมถ้าทำให้เกิดอย่างนี้ได้ก็เกิดภาวนาใหม่ก็เกิดผลนะเป็นอัจฉริยถังนะแต่ทีนี้ไปปฏิบัติกันไม่เกิดผลเช่นจะปฏิบัติฌานปฏิบัติสมาธิก็ไปนั่งหลับตาอย่างเดวุฒิเจ้าท่านหลงผิดไปหกปีที่ในป่า ไปทรมานกายไปทรมานทุกอย่างไปทําอย่างฤาษีมันออกนอกเรื่องนอกทางมันยังไม่มีระบบพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าจะปฏิบัติยังไงกระตางถูเพราะว่ายังไม่ขึ้นมาภูมิมตามองท่านยังไม่ขึ้นท่านก็ไปที่อาตมาอธิบายพยายามตั้งชื่อเรียกว่าช่วงนี้คือช่วงระยะลิงลมอมก็พองท่านยังหลงกับโลกทางโลกเขาก็อยู่ทางโลกเพาทางโลกไม่เอาแล้วออกมาบวช สแสวงหาโมฆะทมท่านก็ยังต้องไปตามโลกเขาครอบงำอยู่ <c oughs> เขาพาปฏิบัติยังไงก็ปฏิบัติก็เขาไปโมดเก่งก็เขาหมดอ่ะผลมันจะเป็นยังไงท่านทำได้หมดแต่มันไม่ใช่สักอย่างเพราะจะไปนั่งหลับตาแล้วก็ไปสร้างภพสร้างชาติขึ้นมาก็เป็นวิมานอีกเป็นภพอีกเป็นรูปประภพเป็นอรูปประภพก็ไปเกิดเป็นรูปประภพอรู ป, ประภพ ไปได้รูปปพบได้รูปประพบอีกไม่ได้พ้นชาติพ้นพบนอะไรเลยอยากนะอยากเป็นวิภาวะวิภาวะคือไม่มีพบแต่มันก็ไม่มีสมาธิถิกก็เป็นนั่งหลับตาวิธีนั่งหลับตาอธิบายกันสารพัดอัตมารู้ไปหมดก็เคยทําเคยนั่งเหมือนกันก็ได้พบได้ชาติตระนั้นเหมือนกัน แต่นี้รู้หมดแล้วไอ้ที่เราไปนั่งลงผิดลงผิดไอ้เทียนไม่ได้ไปนั่งไม่ได้ไปทําตามอาจารย์ชักสำนักนั้นสํานักนี้เขาสร้างพบวิธีนั้นวิธีนี้อะไรต่างนานาอดามา ก, ก็ไม่ได้ไปมากมายอะไรก็เลยไมไ่ค่อยรู้หมดแต่มันก็คือเขาไปสร้างพบสัง้งจากรเพราะไม่เข้าใจคาว่าพบชาติคืออะไรนะก็แค่กามาพบรูปประพบรูปรประพบเนี่ยก็อ่านไม่ออก แล้วกม็มาเรียนรู้เบื้องต้นกรบการมาพบก่อนแล้วต่อไปก็รูประพบแล้วต่อไปคืออารู้ประพบและการที่จะรู้พบรู้ชาตินี่ก็ไม่ได้ไปหลับหลับตาแน่นอนยิ่งการมาพบคุณต้องเทงไม่ออกเลยว่าต้องลืมตาแน่นอนตาหูจมูกลินกายกามาพบกามกคุณห้าตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นริมกระทบรสส่วนองค์ประกอบทั้งหมดองค์ประชุมในวัตกาย มันก็สัมผัสแต่ต้องทุกอย่างในภาวะสัมผัสแต่ต้องข้างนอกทุกอย่างนั่นเรียกว่ากามภพแล้วก็เกิดกิเลสคุณก็เรียนรู้อันนี้กิเลสแล้วก็ทําให้เกิดองค์ประกอบนี่มันเป็นกายสังขารจนเกิดกายปัจจัติกายสงบต้องเกิดกายปัจจัติ จนเกิดเป็นกายปาคุณยะตาหรือกายกรร ม, มัญญตาคือกายนี่คือองค์ประชุมนี้ดับกิเลสได้แล้วก็เลยมีองค์ประชุมที่มีการงานกรรมกรรมัญญตามีอัญญาตาอัญยะคือญาณปัญญาอัญญากลัญญาเนี่ยอัญยะนี่ญาณพิเศษญาณวิชา เกิดการกระทำงานที่มียานันนี้เป็นการกากับก็เลยเป็นการงานที่ดีการงานที่เป็นประโยชน์การงานที่ไม่มีกิเลสเข้าไปร่วมจงเป็นการงานที่ปราศจากกิเลสเป็นการงานอันดีเยี่ยมท่านก็แปลกรรมัญญาหรือกรรมัญญาตาเนี่ว่าคือการเหมาะควรแก่การงานการงานอันเหมาะควรท่านก็แปลเอาเนื้อหาความหมายอย่างนี้ไม่ผิด เป็นการงานนะั้นไม่มีโทษไม่มีภยัยไม่มีอะไรเป็นตึกคุณเพราะคนที่ดับกิเลสได้ก็ทําการงานอยู่กับกรรมไม่ได้ดับไม่ได้ดับกายปัสสัทธิก็เลยนั่งก็ไม่กระดูกรดกระดิแข็งทืง่อไม่ใช่กายเกิดกายกายมุทุตากายเกิดกายมุทุตาเนี่ย แปลว่าองค์ประชุมของความคล่องกายมุตุตาคือองค์ประชุมก็เป็นการทำให้เกิดความมุทุนี้เรียกว่าความคล่องแคล่วท่านแปลในพจนานุกรมบาลีไทย ความคล่องแคล่วของสังขารกองสังขารกองเวทนากองสัญญากองสังขารมุทุตาในกายมุทุตากายมุทุตานความคล่องคือความคล่องทั้งทางปัญญาคล่องทั้งทางเจโตมันเร็วอัตมาแปลมุทุนิว่าหัวอ่อนเป็นมุทุธาตุมุทุภูตธาตุเป็นธาตุจิตวิญญาณที่มันง่ายเร็วไว ปฏิพานก็เร็วเร็วรู้เร็วรู้ไวจะปรับก็ไวจะจัดการให้มันเป็นง้หนึห่งเป็นงี้เราสามารถมีวัสีมีอำนาจให้ทำให้จิตเราเป็นงี่ปรับเปลี่ยนไปงี้ได้ง่ายเรียกว่ากายะมุทุตาอย่างนี้เป็นต้ น, นเพราะฉะนั้นไม่ใช่หมายความว่ากายสงบคือกายไม่ทําอะไรกายยิ่งแควคล่อง เวทนาก็แค่คล่องเพราะความคล่องแค่ของเวทนาสัญญาสังขารในพุทธนานุกรมบาลีก็แปลไว้ชัดเจนแต่เขาจะเข้าใจไหมเท่านั้นเองเพระเวทนาที่คร่องตัวนั่นคือไม่มีตัวต่อต้านแล้วคือกิเลสตัณหาอุปาตามันไม่มีมันก็เลยทำได้อย่างดีทำได้อย่างสะอาดทำได้อย่างปราศจากอะไรที่มาต้านทานไปในทางไม่ดี ก็ทาําการงานได้เหมาะคนทําการงานได้เหมาะสมทางงานได้อย่างดีอย่างเยี่ยมยอดมันศีลทศนัตย์ยิถังวิธีการปฏิบัติที่ทําแล้วไม่มีผลเรียกว่าอัคนัตยิฐถังศีลทศที่ไม่พาไปพาบรรุธรรมเพราะจะ ปฏิบัติลืมตาแล้วก็พากันไปสร้างภพสร้างชาติสร้างภพสร้างชาติที่มันเป็นวิมานตองไดลาบใหญ่ๆยศมากๆอะไรรต่างๆนานาที่พูดไปแล้วนันก็ง่ายเข้าใจแต่มีสติรู้จักสติแล้วก็จิตว่างเฉยหยุดจะทำอะไรนี่ก็พบเป็นอรูปประพบ เป็นอากาศเป็นความว่างสร้างพบว่างๆนี่ก็เป็นพบเป็นอรูปภพไม่ได้รู้ว่ากิเลสนี่มันคืออย่างไรที่เป็นสมุทยัยแล้วก็ได้กําจัดกิเลสนี่มันจางคลายไปเลยมันเป็นวิธีวิคัมพนาประหารเป็นการกดข่มเป็นการลื ม, ลม ไม่เกี่ยวไม่ข้องกับอะไรแล้วก็เลยทำให้จิตใจมันเบามันว่างลงไปบ้างเท่านั้นเองก็ได้ไปเสพพบที่ว่างๆพบนั่นก็เป็นชาติพบนั่นก็เป็นพบที่คุณดีไม่ดีดก็ติดพบติดว่างนั้นไปทีนี้คุณติดพบเขาแล้วใครจะมาพูดยังไงฉันไม่ฟังนี่นะถูกแล้วมีสติอย่างเดียวอะ สัพพัญญะสัพพชานะสัพพติสัพพชะเล ต, ติอะไรไม่มีแล้วนะไม่รู้เรื่องไม่เกิดสัมต่างๆที่มันเกิดจนถึงสัมปัตตะสัมปนันนะอะไรไม่รู้เรื่องนะตรงถึงขั้นสั ม, มปัญญาไม่ไม่เกิดเลยไม่เกิดความรู้ที่จะรู้ความจริงของปรมัตทั้งธรรมทั้งหลายนะเพราะนี่นมมทางสงบ สติลืมตามีสติแล้วอย่าปรุงอย่าสังขารอย่าคิดอะไรพอสัมผัสแล้วก็รู้ตามที่รู้แดงก็รู้แดงเขียวก็รู้เขียวหวานรู้หวานเปรี้ยวรู้เปรี้ยวสวยรู้สวยขีเรรู้คีเรเสร็จแล้วเลิกรู้แล้วก็วางนิ่งเฉยรู้สัจธว่ารู้เท่ชมวบ้รเสอนเท่ แต่ไม่ได้จบพบไม่ได้หมดพบหมดชาติยังมีภ พ, พมีชาติดีไม่ได้ติดเพราะมันว่ า, วางมันว่างดีนะเาว่างดีนี่คือสมถะลืกตามีอีกหลายนัยยะที่ละเอียดละเอียดกว่านี้นี่เป็นอีกแซมโพนิดหน่อยนะเป็นตัวอย่างเล็กน้อย นี่เป็นลืมตาทีนี้พู้กลับตานั่นยังไม่รู้เรื่องเลยตับพบก็ไปปีเลยโดยสอนกันหลายวิธีส่วนมากก็คือกสินให้ไปเกาะอันนั้นนะจิตนิ่งเกาะอยู่ที่นั่นนหะโดยมันไม่คิดอะไรไม่อะไรอะไรเลยอย่าส่งจิตออกนอกตัวจิตอยู่ในพบนั่นแหละคุณก็สร้างพบแท้ๆเลยไอ้ที่คำสอนว่าอย่าส่งจิตออกนอกตัวกุลก็คือพบภายในของคุณ เรียกว่ากักขังจิตอย่าส่งจิตออกนอกตัวก็คือเท่าว่าลามโซ่ลามโซ่ตีผนังกันอยางให้จิตไปออกไปจากห้องกงนี่นะก็คือพบแท้ขออภัยอัตมาวันนี้นี่ยิงเป้านัดแม่นปืนจากระยะพันเมตรถูกเป้าที่มันเป็นเป้าของ เส้นผมเท่านั้นวันนี้เนี่ยนักแม่นปืนนี่ได้เหรียญทองก่อนไอเช่นเกมอาตมาได้ก่อนไอเช่นเกมวันนี้ปฏิบัติยิงแนละแม่นเป้าที่สุดใครเป็นกรรมการในอาตมาบ้างเนี่ยจริงไหมอาตมานักแม่นปืนไห ม, มเข้าเป้าไห ม, ม <c oughs> เออกรรมการอาตมาหลายคนเนาะดี <c oughs> แล้วกรรมการเหล่านี้ไม่เทียงกันเลย กรรม ก, การเหล่านี้ไม่แย้งกันเลยโอ้โ oh หสำเร็จสำเร็จ mm hmm. ไม่มีกรรม ก, การคนไหนแย้งกันเลยให้คะแนนดลตามาเ ป, เป็นเอกฉันเลยเพราะงั้นการสร้างภพสร้างชาติจึงมีนานาสารพัดทั้งวิมานลืมตาและวิมานหลับตานี่คือการสร้างภพสร้างชาติที่ มิจฉาทิฏฐิซ้อนกันไม่ถูกทางเาเวลามันเหลืออีกนิดเดียวถ้านับกันอย่างจริงก็ไม่ถึงชั่วโมงแล้วที่เหลือนี่นับอย่างต้องบวกนะที่อาตมาถูกกินมาเนี่ยนะตอนนี้ทุ่มสาแล้วนะอาตมาต้องเลยไปอย่างน้อย20สองทุ่มยนะีสิบพอ ะ, ะนั้นก็นะลบออกสัก19อย่างมากนะ อาทีนี้มาพูดถึงสภาพที่มันดับของพุทธจะได้เป็นคู่เทียบในการฟังพระพุทธเจ้าท่านสอนพบสามพบการมาพบรูปมาพบอรูปมพบเ พ, พระเาะฉะมันเกิดมันก็มีพบมันไม่เกิดพบมันก็ไม่มีท่านก็เรียนรู้ก า, ร ก, ากายเมื่อตาหูจมูกลรื่งกายกระทบสัมผัสแต่มันก็เกิดวิญญาณก็อ่านวิญญาณ น, นี่แหละแจกมาเป็น เจตสิกสเวทนาสัญญาสังขารก็เรียนในเวทนาสัญญาสังขารสัญญาก็ทํางานหน้าที่สัญญากําหนดรู้กําหนดไม้ว่าจะต้องรู้อะไรพอรู้แล้วกระทบแล้วก็รู้อ๋อตัวนี้เป็นอย่างนี้ทำเป็นเป็นอย่างนี้ก็รู้ตามไปเรื่อยๆทํานี่ถูกตามวิธีไหมทําแล้วกิเลสนี่มันลดไหมเกี่ยวกกิเลสคืออะไรก็ต้องรู้ตั้งแต่ตัวต้นเรียกว่ากาย ต้นตัวต้นนี่คือกะ อ, องค์ประชุมแล้วก็ค่อยวิจัยองค์ประชุมเพราะกายต่างกต่ข้างนอกเข้าไปสัมผัสเข้าไปแล้วก็ไปหาข้างในจะเรียนรู้ต้องเรียนรู้ข้างในในเรื่อที่จิตนี่แหละแต่ตาก็ยังสัมผัสอยู่อย่าทิ้งข้างนอกแม้แต่นั่งหลับตาก็อย่าทิ้งกายเพราะฉะนั้นจึงบอกเหลือลมหายใจไว้นะไม่ทิ้งกายไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ทิ้งดินน้ำไฟลม นี่เปนตน้นจะต้องของลัทธิพระพุทธเจ้าไม่ทิ้งนอกไม่ทิ้งข้างนอกนีโมก8ชัดนะไม่ทิ้งข้างนอกมีโมก8เนี่ยยืนยันชัดแล้วมีโมก8ปนี่ของศาสนาพุทธศาสนาเดียวมีสัญญาเวทีจิตนิโรธอ่าแล้วก็มีรูปฌานบอกไปสมข้ออรูปฌานบอกอีกสี่ข้อข้อที่8ก็สัญญาเวทีจิตนิโรธ ต้องรู้วิโมกวิโมกคืออะไรอย่างไรถ้าคนที่ไม่มีความรู้จริงจริงอธิบายวิโมกแปไม่ได้หรอกพอมันเป็นอุตริมุสธรรมจริงจริงวิโมกเนี่ยเป็นอุตริมุสธรรมอธิบายไม่ได้อธิบายได้ก็ผิดผิดเพี้ยนเมาเมาโมโมโมวมอะไรก็ไม่รูยากเมื่อเราสามารถที่จะรู้องค์ประชุมในอกกายเพราะเริ่มต้นสักกายตัวที่หนึ่งเลยสังโยชน์ข้อที่นึ ถ้าคุณไม่รู้กายของตนสักกาแลวของตนกายองค์ประชุมลืมตานี่แหละแม่หลับตาคุณก็รู้สักกายแล้วก็รู้แล้วก็พิจารณากายในกายแต่ต้องรู้ว่ากายนอกกายนี่ยังเชื่อมโยงกันอยู่ยังมีสัมผัสนามมีสัมผัสมีเจตนาผัสสะมณสิการไม่ได้ขาดจากผัสสะ พัฒนาดับคืออะไรอธิบายแล้วสัญญาดับคืออะไรอธิบายแล้วเประเด็นเมื่อสามารถปฏิบัติองค์ประชุมเรียกว่ากายนี่แหละธรระกิเลสองค์ในองค์ประชุมได้เมื่อกายมันชุชมนุมกันประชุมกันมันก็มาเป็นรสชาติเรียกวเวทนาความรู้สึกอารมณ์ก็มาอ่านเวทนาในเวทนา เวทนาในเวทนาสติปัฏฐานสี่เนี่ยจะต้องดูตัวจิตตัวเจตสิกในเวทนาตัวในเป็นเหตุสราค้าเป็นเหตุสะโทสะเป็นเหตุก็คือจิตในจิตที่มันอยู่ในเวทนานั่นแหละมันเกี่ยวข้องกันหมดโดยทั้งกายเวทนาจิตธรรมไม่ได้แยกกันเพราะเมื่อเราสามารถจับกิเลสได้กำจัดกิเลสได้ก็เกิดได้บุญ เกิดชำระได้ผลการชำระกิเลสลงได้ผลนี่แหละคือบุญได้น้อยนึงก็ตามท่านก็เรียกว่าได้ส่วนบุญส่วนบุญภาษาบาลีว่าปุญญภาคยาหรือปุญญภาพอ่านอย่างทไทยๆง่ายๆก็ปุญญภาพส่วนของบุญภาคก็คือส่วนบุญก็คือบุญนั่นแหละบุญของการชำระกิเลสบุญก็คือการชำระกิเลส ส่วนของการชำระกิเลสได้กว่าส่วนบุญคนได้ทำคนนั้นได้ไม่ใช่ส่วนบุญจะได้เพราะคนแบ่งให้นี่ก็ออกนอกรัธิพุทธไปแบ่งบุญเงิน <c oughs> อย่างก็ไปไปปล้นทงคำมาแล้วก็เอาทงคำมาแบ่งกัน <c oughs> แมพูดเลอะหมดเลย บุญแบ่งไม่ได้บาแบ่งไม่ได้แล้วถ้าบุญแบ่งได้เนี่ยโอ้โหกุเล้ยในตํานานพระแต่ปิดกเนี่ยพระพุทธเจ้าจะแบ่งบุญให้ใครถ้าใครถ้าใครเยอะเลยท่านไม่ใจดําท่านใจกว้างแล้วท่านก็มีบุญท่านก็ทำบุญมาปฏบบิบัติบุญมานา น, น, านใช่ไหมท่านก็แบ่งให้โตใครมาเนี่ยแบ่งอย่างน้อย ก, ก็แบ่งให้คนใกล้ชิดอ่า แบ่งให้พอ่อแบ่งให้ลูกแบ่งให้เมียคนใกล้ชิดก่อนหมดไม่ปฏิบัติเอาลูกมาบวชก็ให้ภาษารีบุญนวดพาไปปฏิบัติไม่แบ่งบุญให้สักหน่อยพระราหุลมาบวชอ่ะไปสาษาทีบุรไปอบปรมดูแลใจยังไงถ้าแบ่งได้แล้วทำไมไม่แบ่งใจดำนี่ลูกแท้ๆไม่แบ่งบุญให้ลูกเลย คืออาตมาเราพูดให้มันหมดหมดหน่อยให้มันชัดชัด่ยให้มันหนำหนใจคือมันผิด น, ะ, นะเมื่อเข้าใจผิดพวกนี้เราถึงไม่พาบรรลุธรรมนะเอาละอาตมามีประเด็นมาเยอะเดี๋ยวจะไม่มีเวลาตอบเวลามันก็ผ่านไปนตอนนี้ก็เกือบจะสองทุ่มละว45สิ 45, ้าละสี่ส้าก็ไปละ นะก็ขอสรุปว่าวันนี้เจตนาพูดถึงเรื่องพบเรื่องชาติพอสมควรยังจะพูดได้แหลกกว่านี้อีกอะอะจะแสดงความยิงเป้าจะแสดงความยิงเป้าได้อีกหลายนัดน ะ, ะว้เป็นกรรมการค่อยตัดสินว่าจะมายิงเขาเป้าเปล่า อาตมายิงเข้าเป้าเข้าเป่าแล้วอาตมาไม่ยิยงล็อกไอ้เป้าโตขนาดนี้ไม่ยิยงล็อกหโเเสียฟิมือหมดเป้าของอาตมานะ่าเท่ากับเส้นผมวงกลมมเท่ากับเส้นผมเป้าปิ้งเข้าเป้าเลย <c oughs> ต้องยิงในระยะทางพันเมตร แล้วยิงเขาเป้าเลยนะสรุปก็คือพพชาติก็ต้องเรียนกันจริงๆนะอาตมายั ง, ยงขยายความได้อีกวิมารลืมตาวิมารหลับตาเป็นพบเป็นชาติอยู่ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เนี่ยสรุปก็คือคาวิมารกันคาบุญกันนี่บอกว่าได้บุญเนปะ็นผู้มีบุญบรารมนะีบุญบรารมี จนกระทั่งยืดยืดยืดยืดยืดก่อนจะจบก็ขอยิงเป้าอีกเป้าหนึ่งก่อน <c oughs> ยืดกันจนกระทั่งว่าโอ้โหโอาจารย์นี่เก่งจะบัดเลยเนี่ยขนาดตายแล้วยังไม่เน่าเลย <c oughs> ตายแล้วผมก็ยังยาว ง, งอกไปอีกเลย <c oughs> เล็บก็ยังงอกไปอีเลยโ อ, โ, โอ้โหบูชากันจังเลยอาตมาก็บอกว่าน่ารักแท้ พากันไปนรกด้วยกันเลยบูชาอาจารย์ที่มิจฉาทิฏฐิเพราะพูดที่เป็นอาจารย์แบบนั้นน่ะยึดพกชาติที่ตัวเองยึดหนักไม่ยอมที่จะหยุดพลังงานพลังงานในระดับจิตดับไปแล้วจิตนิยามไม่มีแล้วเป็นมนุษย์พืชเหลือแต่พีชานิยามมันก็เลยทำงานให้อาหารเล็บก็ยังยาวผมก็ยังงอกนังก็ไม่นาว พวกนอกฤตและบูชาผู้ที่ได้สภาพคือยังไม่เข้าใจมันยังมีผีชะนิยามเหลืออยู่เพราะไปะยึดที่จริงตัวเองนั้แค่ฐานของจิตนิยามเมื่อจิตนิยามขาดก็ควรเลิกนี่ยังไม่ยอมปล่อยเลยก็จะอยู่กับล่างนั่นแหละไม่ยอมปล่อยเลยอ้าว ยังอยู่กับยึดยัึดอยู่กับไอพบตัวเองติดนั่นแหละคือร่างของตนเองตัวโตเยอะไม่มีคนดืบอกแล้วแต่ตัวยึดเองเป็นเองที่นี้พูกไม่รู้ก็โอ้โหนี่เป็นอิทธิฤทธิอิทเดป็นบุญบารมีไม่ได้ชำระกิเลสแล้วก็กิเลสมันถมก็ไปหนักก็ไปยึดนน่นจนกระทั่งตายไม่รู้จักตายอภิมหาบาปเลย แม่เป้านี้นี่เป้าสำคัญอยู่นะเป้านี้เนี่ย <c oughs> ผู้ที่ถูกยิงเป้านี่ก็ขออภัยเธอที่พูดตรงเกินยิงเข้าเป้าแล้วเกินไม่เลี่ยงมังเลยสัดปิ้งตรงเป้าเลย <c oughs> นี่นี่ก็เป็นพวกที่ติดภพติดชาติ ตายเพยังมีพบมีชาติไม่ยอมจบไม่ยอมเลิกไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางอย่างนี้เป็นต้นอ่เอาเราเป่าสุดท้ายนี่ก็ว่าไปาพูดมาแล้วแหละเคยอธิบายมาแล้วอ่าเอาทีนี้ก็มาตอบประเด็นไม่บอกเบอร์อะไรยงเยอะพอสมควรเบอร์โทรศัพท์ที่นี่ไม่ได้บอกให้ขึ้นตัวเลขให้ก็เลยไม่ขึ้นเมื่อวานนี้ที่ปฐมบอก ตัวเลขของโทรศัพท์เขาขึ้นได้เหมือนกันแต่ที่นี่ไม่ขึ้นหรือ ว, ว่าขึ้นแล้วลบมัตอนนี้ไม่เห็นมีอยู่ในจอแต่ไม่รู้นะอันนี้มันรีเวลมันไม่ใย่ภาพอออากาศออกอากาศไม่รูออกอากเพราะว่ามีมอนิเตอร์ออกอากาศที่นี่ทําไมถึงประหยัดจังเลยไอ้มอนิเตอร์ออกอากาศก็ให้ดูมันก็ไม่ได้เ อ, เอจริงๆก็มีหลายจออยู่ก็เปิดตัวจอไหนก็ได้อ ก็ไม่ต้องเปิดเสียงเปิดแต่ภาพก็ได้นะให้ดูให้ได้รู้ว่าเออมันออกกาศอันนี้หน้ามีอะไรออกไปบ้างถ้าอินเสิร์ตออกไปเราก็รู้ถ้าไม่อินเสิร์ตออกไปเราก็ไม่รู้นะเอาละนะตอบประเด็นนะวันนี้ก็มีผู้จําจังใจจะเกิผู้ติดกลางกลางทางไม่รู้เบอร์ถ้าไม่ได้ออกตัวเลขบนหน้าจอเขาก็ไม่รู้แต่ผู้ติดจำหมดจดแล้วก็ส่งมาแล้วมากพอสมควรอ้าวตอบประเด็นเลยก็แล้วกันจาก เจ้าแรกจากระยองปริวัติสามคืออย่างไรครับปริวัติสมคืออย่างไรครับปริวัติก็คือความหมุนรอบความหมุนรอบของสามคงจะถามว่าได้ยินปริวัติสามนี่มาจากว่าอะไรปริวัติสามมาจากอาการ12สองมีอะไร เพราะวัดส์3ของท่านจะเรียกอะไรมันมี1สัจจยาน2กิจยาน3ามกัตยานกับอริยสัจสี่อย่างนี้กับอริยสัจสี่สามสีกับ12นี่เรียกว่าปริวัติสคือปริวัติสัจจยานกิจยานกัตยานโดยรู้จัก หนึ่งทุกสองสมุทยัยสมที่โรดสมักทางปฏิบัติเพื่อดับเนี่ยเพราะฉะนั้นทุกก็รู้ว่านี่ทุกขเป็นสัจจะอย่างนี้ทุกขัสัจแล้วก็สามารถรู้จักทุกนี้แล้วก็ปฏิบัติในว่ากิจยญาณปฏิบัติเพื่อที่จะให้ ไอ้จะทุกข์มันหายก็ตาไม่หาเหตุก็ไปรู้เหตุเป็นสัจจะอีกก็ปฏิบัติตัวเหตุเลยตอนนี้กำจัดโดยวิธีของข้อสมักจนดับนะจนดับเพราะฉะนั้นก็โดยทมเมื่อรู้แล้วก็ต้องทาทั้งสมเลยสัจจะก็รู้ทั้งสี่เนี่ยกิจกดรู้การทั้งสใช้ทั้งมักนะมกปฏิบัติมัก แล้วก็รู้ทั้งสัจจะแล้วก็ทำทั้งรู้ทั้งเหตุมันนะรู้ทั้งทุกเป็นทุกข์กับสับรู้ทั้งเหตุ ข, ของมันแล้วก็ดับพยายามลดละจางใครจนมันดับก็เห็นมันดับเป็นสัจจะครบทั้งสเนี่ยนะเกิดทั้งสี่นี่มันปฏิสัมพัทธ์กันทั้งหมดเลยนะสัจญานจิจญานกัตยานจนดับได้เรียบร้อยจนเสร็จไม่ต้องทําอีกเลยว่ากัตยานยานจบ เรียบร้อยทาวร์ยั่งยืนก็เรียกว่าปริวัติสก็คือสัจจยานกิจยา น, ยานและกัตยานโดยอาการ12คือจัดการเรื่องทุกขสมุทัยนิโรธมาเป็นท่านเรียกอะไรโดยสมนวนอะไรสมโดยอาการ12พวกเราก็ไม่เคยชอบปริยัตเท่าไหร่ก็เลยไม่เคยท่องอนันไม่เหมือนพวก อภิธรรมก็ถูกแล้ ว, ล, วล้วก็เจอสิทธญาณกิจญาณกัตญาณ น, นั่นแหละแล้วก็ขยายแจกพยัญชนะแจกวยากรณของภาษาไปเท่านั้นเองนี่บอกอปัญญายะควรรูนะ้แล้วก็กิจปัญห า, ากิจ ก, กวรประหาร น, นั่นแหละ ก็มันรู้แล้วก็ควรทำอันนั้นสอย่างนะนะอาก็คงตอบ ป, ปริวัตรสามที่ถามมาคงจะรู้แล้วนะว่าสรุป ง, ง่ายๆก็คือกิจจยากิจสัจยานกิจจยานกัตยานนั่นคือปริวัตร3าที่คุณอยากรู้และมันมีถึงอาการส2องอาตมา ก, ก็ขยายความให้นะจากเชียงใหม่ปฏิบัติสมาธิแบบลืมตาขั้นแรกทำไงคะ ตอนนี้เลิกกินเนื้อสัตว์ใหญ่แล้วขอเวลาสักหน่อยตั้งใจจะกินมังสวิรัติให้ได้บริสุทธิ์ค่ะอ้าวก็ดีคุณตั้งเรื่องไม่กินเนื้อสัตว์นี่เป็นเป็นกรรมฐานหรือว่าเป็นศีลก็ได้นะเป็นศีลเป็นหลักเกณฑ์ในการที่จะเรียนรู้นะแล้วก็เมื่อมันเกี่ยวข้องกับเนื้อสัตว์เมื่อไหร่สัมผัสเมื่อไหร่นะ เมื่อนั้นแหะคุณลืมตานะัสัมผัสเนี่ยถามมาว่าสมาธิลืมตาขั้นแรกทําไงขั้นแรกก็ลืมตาไงแล้วก็สัมผัสเมื่อสัมผัสแล้วอ่านจิตเนื้อนี้บางคนตั้งแต่เห็นเนื้อดิบเลยอยากกินตแต่เนื้อดิบอยากได้ตั้แต่เนื้อดิบเอาไปต้มเอาไปคั่วเอาไปยำเอาไปทําลาบทําก้อยอะไรก็แล้วแต่จเจ้าตั้งแต่เนื้อดิบเลยนะ ก็เกดกิเลสแล้วหรือบางคนก็ยังไม่เกิดกิเลสเนื้อดิบอกเป็นกดกิเลสเนื้อสุกดีไม่ดีสุกแล้วหอมด้วยสีดีด้วยอะไรต่างๆโอ้โหอ่าอ่าเข้าทิ้ลิ้นปับ๊บสะพัดด้ว ย, วยโอ้โหใช่ยอย่างนี้แลโอ้โหอ่าเดียกว่าจา้าดรำเลยอ เรียกว่า อ, อร่อยอะรฮะอร่อยจังฮู้เลย <c oughs> บอกอร่อยชัดเลยอร่อยจัดเลยอร่อยจริงเลยเพราะฉะนั้นคุณก็จะต้องรู้ถึงสิ่งที่จิตมันกิเลสเขามันมันยากมันจะสัมผัสรสตามที่คุณเสพรสรสทั้งตารสทั้งรูปทั้งรสทั้งกลิ่นทั้งเสียงทั้งสัมผัสต่างๆ น, น, นานานะ คุณก็เกิดอานนนี้ตั้งแต่มันอยากไม่ต้องให้มันเรียกว่ามีอ า, อารติวิรติปฏิวิรติเวรมณีเว้นขาบเว้นมันอยากให้มันมันอยากอยากให้มันแล้วพิจารณาให้เห็นไปในจังทุกครั้งอนัตตาอันนี้ยากยากพิจารณาว่ามันไม่เที่ยมมันไม่แท้ แท้คือมันเท็จมันไม่แท้เนี่ยมันเท็จมันไม่เที่ยงมันไม่แท้หรอกมันพาทุกก็ะยางดิเราต้องไปคิดค่ามันเป็นธาตุมันอยู่เนี่ยหามันเรลอยู่เนี่ยถ้าได้แล้วนี่โอ้โหสัมผัสแล้วนี่ยโอ้โหนี่น่ากินน่าได้น่ามีน่าเป็นมีเท่าไหร่ก็ควักให้เข้าไปแลกมามันเป็นภาระเพราะเราไปติดอยู่ จริงๆมันเป็นกินเลตคุณลองไม่ให้มันไปเรื่อยๆแล้วพิจารณาเห็นมันเป็นไรเราเอาอื่นแทนได้เราก็ไปติดรูปรดกินเสียงสะพัดของมันถ้าจะเอาธาตุอันนี้ธาตุนั้นอื่นแทนอันนี้ได้เนื้อสัตว์อันนี้ไม่ต้องกินกินพืชกินผักแทนศึกษาบ้างแล้วก็อ่านกินเลตอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนคุณจะแจ้งว่าเออจิงเงินมันไม่แท้มันไม่เทียมแล้วมันเปภาชะจริงๆเออเอาลิกภาชะได้ท่านี้กินแต่พืชแต่ผักอะไรก็ได้สบายสาย กิเลสกุลิมีแล้วอนัตตาไม่มีตัวตนกิเลสได้เห็นนล้มันไม่เกิดอีกแล้วในจิตนั่นอนัตตาอ้าวเนี่อธิบายให้ฟังคร่าวๆตอบละเอียดก็คงต้องยาวในบทถามประมาทย่างน่าดูเลยจากลายฝากเรียนถามเนะีย่ยถามเองก็ไม่ได้ต้องเรียนถามฝากมีพวัตตนาที่นักปฏิบัติทำต้องทําจะรู้ได้และจะปฏิบัติอย่างไรว่าเป็นวิพวัตตนาแท้ๆจริงไม่ใช่แค่พวัตตนาหรือ เป็นมิภาวะหรือมิภาวะตัณหาแก๊ะเอา้าก็คุณก็จะต้องรู้สักกายคุณจะต้องรู้ตัวตนของกิเลสไงจนพ้นวิจิกิกจฉานะสังโยชข้อที่สองใช่แน่ตัวนี้วิจัยดูแล้วเนี่ยอาการอย่างนี้ตัวกิเลสตัวอย่างเนี่ยมันอยากนะสมมติตัวเมื่อกี้นี่เขากินเนื้อนี่นะมันอยากกินเนื้อเนื้ออะไรก็แล้วแต่จะจิตเนื้อสัตว์ไหนก็แล้วแต่ต อ, อ่าสองทุ่มกับสองทุ่ม นาฬิการบอกนาฬิการคนตาบอดใช่แต่เสียงไงไม่ต้องดูก็รู้ถึงเวลาก็บอกคุณก็จะพยายามนะเมื่อรู้ตัวตนของตัวเหตุตัวกิเลสเพราะตัวตนที่ตัวตนของกิเลสของสมุทัยนั่นแหละตัวหลักแล้วก็ก็จัดตัวนี้นี่คำพนประหารก็ข่มไม่ให้มันมีมันก็ไม่มีอาการก็รู้ว่าันีมีอาการ ก็เป็นปวิภาวะชั่วคราวแต่ถ้าคุณสามารถที่จะรู้ด้วยปัญญาปัญญามันเป็นไฟเรียกว่าฌานชกเชอสราานอนนูนี่ฟานที่ว่าแปลว่าฌานนี่แหละแปลว่าเพ่งเผามันเป็นไฟไฟของปัญญาฌานนี่คือไฟไฟปฏิบัติแล้วมันก็จะเกิดผลเป็นสัมปชลติไฟโหมเผาสลายเลย เพราะงั้นไฟชาเนี่ยมันเผาไฟราคะไฟอยากของคุณนะราคะไฟกาของคุณนะมันเผาได้พลังงานมันสูงกว่าพลังงานมันวิเศษกว่าทําลายปัญญารู้เนี่ยมันรู้สูงกว่าไอความติดยึดความลงไหนได้เปมันชัดมันเจนเลยว่าอือเราเนี่โง่เปหมดติดยึดอันนี้เป็นธาตุมันคุณหลุดพ้นได้คุณก็หมดความเป็นธาตุไม่ต้องติดตรงยึดไม่ต้องอยากได้อยากมีอยากเป็นอีก ไรเงนต้นก็คุณก็ต้องปฏิบัติอย่างนี้แหละคุณจะรู้ของจริงแล้วอตอนนี้เราไม่มีแล้วไอ้ตัวนี้เนี่ยกิเลส ต, ตัวนี้ไม่มีแล้วพบไม่มีชาติมันไม่เกิดอธิบายพบชาติไปจบเมื่อกี้มันไม่เกิดอีเลยในจิตแต่ตัวนี้อยากตัวนี้จับสัมผัสยังไงยั่วยวนยังไงกระแทกกระทุ้งยังไงไอน้นี่เคยติดเคยยึดเคยมีอกิเลส ต, ตัวนี้เกิดมันไม่เกิดเลยกิเลสอาจิตได้คุณก็รู้ว่าในวิภาวะคุณได้ปฏิบัติโดยตัณหาวิภาวะตัณหาเนี่ย จะดับพบอ น, นิจ伽มเพราะงี้หมด伽มคุณก็ดับไปแล้วสัมผัสยังไงมันก็ไม่เกิดอาจจะเหลือเศษข้างในเป็นรูป ร, ราคะรูป ร, ราคะเป็นพระอนาคามีคุณก็เป็นล้างรูป ร, ราคะล้างรูปรพบอรูปรพบของคุณอีกต่อไปจบไม่มีรูปรพบรูปรพบคุณวิแท้แทเลยเดีนี้ไม่มีทั้งสามพบตอนแรกเกิดพบแรกก็รู้พบเป็นระดับระดับไม่ถูกหลอกอ่า เอาสันส้นๆต่อมาลายมาอีกว่าจากปทุมเจ0หนึ่งเนียนมากนึกประเทศอยู่หน้าน้ำตกจริงเลยค่ะนนี่ไปพูดถึงเรื่องชานเนียนมากนเนียนเสียไปหลายตังค์ไปซื้อเครื่องมือเครื่องไม้ม า, มาทั้งเนี้ไม่อยากเสดเลยแต่ก็ต้องทำเขาต้องทำไปตามประษาเขาเนียน เห็นไหซูมเข้าซูมออกได้เลยนะเทคนิคซูมเข้าซูมออกนี่ต้องเครื่องถึงนะเครื่องไม่ถึงซูมออกไม่ได้ขาดเลยเป็นชิ้นๆเลยนี่มันเครื่องเขาได้เครื่องเขาซูมออกซูมเข้าได้เพราะงั้นช่างเทคนิคที่ไม่เคยเจอเครื่องนี้ยังไม่รู้มันยังไม่เข้าใจยังไม่เห็นเครื่องนี้เนี่ยจะงงเลยว่าเฮ้ยอันนี้ของจริงนี่วะไม่จริงฉากใช้เทคนิคอ้าวเนียนมากนึกว่าเทพอยู่หน้าน้ําตกจริงเลยครับต่อมาบอกว่า จากสุกได้เมื่อใจพ อ, อจากสุกเขาบอกจากละจากจากสุกได้เมื่อใจพอน<า>ะปัดโถย <c oughs> กภาษาไทยอะ่ะล้วก็แปลไปตามภาษาไทยท <c oughs> ก็ไม่บอกว่าเป็นชื่อมาโทชื่อของคุณสุกได้นำสกุลเมื่อใจพอเ <c oughs> จง๋งโตเท่ดีชื่อสุขได นามสกุลเมื่อใจพอตอนนี้ลูกตัดการเที่ยวโดยไม่อยากไปสาธุคนยังเที่ยวอยู่นี่เรียกว่าคนเที่ยวเพราะนั้นใครได้ชื่อว่าคนเที่ยวเนี่ยคิดเอาด้กันภาษานี้เป็นภาษานักเกลียดเป็นภาษาที่ยังเป็นคนเที่ยวยอันนี้เรื่องจริงนะอัตมาเนี่ยเป็นคนไม่เที่ยวมาแต่ไหนแต่ไรไม่ค่อยชอบเที่ยว ยิ่งมาปฏิบัติทรแล้วยิ่งเห็นโอ้จริงๆโดยกิเลสค น, นมันชอบยังเที่ยวอยู่มันยังเป็นคนเที่ยวอยู่ไม่ดีนะเพราะคำว่าเที่ยวเนี่ยภาษาไทยในรลชัดมันยังหารถจากกันอวจรเพราะกิเลสคุณยังนี่พูดนามมาทำประมัิเลย นา ม, มาทําคุณยังอวจรไปเที่ยวลองลอยสัมภเวษีหาที่เกิดเกิดไหนเกิดหานรกตรงนั้นแหละแล้วก็ไปหลงว่าเป็นสวรรค์ไปเจอนั่นไปเจอนี่ที่เกิดเกิดอะไรเกิดเป็นสวรรค์หลอกเกิดนรกแท้ๆไอ้จรไม่รู้จกจบหยุดจรแล้วหมดอวจรแล้วนั่นแหละหยุดเที่ยวนีน่ต่อมาว่าถ้าเราสามารถ ค่ากิเลสได้โดยพิจารณาประโยชน์โทษของกิเลสซ้ำและเริ่มเบื่อคลายไปเองเช่นเรื่องเที่ยวและหลายเรื่องเราจะต้องมาทำอนาปาณสติกกำหนดลมหายใจหรือไม่จำเป็นไหมคะทำบ้างก็ดีเพราะเป็นอุปการะอุปการะอย่างไรคือมันจะตรวจสอบเหมือนลงบัญชีรู้อุมาศีชัยชีตรวจสอบระลึกถึงสิ่งที่เราได้ผ่านมา เหตุนิทานสมุทัยปัจจัยคุณไปเจอเมื่อนั้นคุณได้ปฏิบัติทมเมื่อนี้ครั้งนั้นครั้งนี้มีเหตุนั้นเรื่องนี้โอ้เราก็เกิดกิเลสอย่างนั้นแล้วเราก็ได้ปฏิบัติทันแล้วเราก็ฆากิเลสได้ฆ่าได้ตอนนี้ฆ่าได้จนเก่งจนกระทั่งอย่างเป็นสมุเฉติปะหานจนปฏิปสัตยิปะหานจนเป็นนิสรณนาปะหานแล้วโอ้จนกระทั่งสัมผัสอีกตอนนี้ก็ไม่เกิดจริง ครึ่งครั้งห้าครั้ง1 0 0ยครั้งพ0นครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งไม่เกิดีกเลยคนก็ตอบตัวเองได้ว่า น, นี้จังทุวังสัตตังอวิปปรินามะธรรมะสังนิรันดรั ง, ง, งกุปปังเกิดยานตัดสินได้ว่าเป็นกะตะยานจบกิจแล้วด้วยประกาล ร, รชนีนะหรือด้วยประกาล ร, รชนีซึ่งไม่ใช่ลิง อ้าวเขาทอนเทศเนี่ยบอกว่าโดยประกาศลชนีทอนเทศกันส่วนมากกันโดยประกาศละเชนีมันก็มันก็บอกชนีไม่เชลิมจากเชียงใหม่คืออาตมาดีลาลกเล่นเล่นพวกนี้นะเพื่อให้มันสนุกมันลึกมันยากก็ไม่อยากจะให้มันหลับมันอยากจะให้มันหนักเกินไป ก็มีพวกนี้ผสมบ้างเรียกว่ามีสุนทรียศินประกอบสารสิลป์พอศิลปะถ้ามีสุนทรียศินมันก็เป็นสารคดีนี่มันเป็นศิลปะไม่ใช่สารคดีไม่ใช่สาระอย่างเดียวถ้าเอาแต่สาระมันก็เป็นสาระเรื่องของสาระเรียกว่าสารคดีไอ้นี่มันศิลปะมันมีสุนทรียศินกับสารศินอยู่ในนั้นด้วยกันเนื่องอาหารักชาติกระสาระแต่ก็เหยาะน้ําตาลเหยาะสีน้อยๆ ผลนิดๆิะเกิ ด, ด, ดมาชาตินี้เรามีพระกำลังเยอะถูกเขาใช้งานเยอะแสดงว่าชาติที่แล้วเราเคยใช้แรงงานใครเข้ามาเยอะใช่ไหมคะชาตินี้เราต้องมาถูกเขาใช้แรงงานตอบเอาบ้างนะคะ่ะจะว่าก็ใช่ก็ได้ได้เพราะใ น, ใ, นในเรื่องของอจินไตยพวกนี้มันจริง แต่มันไม่จริงทั้งหมดมันมีนัยยะที่ซับซ้อนึซึ่งอย่าพาซื้อใช่ไปพาซื้อว่าเราฆ่างัวตายเอาเนื้องัวมากินชาติหน้าก็เลยงัวเกิดมาฆ่าเราบังก็ฆ่ากันไปฆ่ากันมาฆ่ากันไปฆ่ากันมานี่แหละไม่รู้จะจบเดกเลิกฆ่าซะสิจะได้หยุดถ้าไม่อยากจะเกิดปเป็นรูก้ก็ถ้าอยากจะเกิดก็ฆ่า ง, งวัวจะได้ก็เกิดเป็นงัว ถ้าไปถือพาซื้ออย่างนี้ก็บอกดีแล้วชาติหน้าจะเกิดอยากเกิดเป็นพระอรหันต์าพระอรหันต์ซะเลยชาติหน้าจะได้เกิดเป็นพระอรหันต์สบายดีไหมไพาซื้อมากเกินไปนะมันมีนัยยะของมันเป็นได้นะกดกลับไปกลับมาทําลายกันด้วยแรงเวนเนี่ยมันมีจริงๆเพราะฉะนั้นก็มีจริงด้วยพาซื่อไม่ได้ด้วยมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นทีเดียวนะ คุณถามมาว่าโอ้โหขุนพชา้านี่ถูกเขาใช้แรงงานมากหรือเกินชาติก่อนนี่ก็คงจะไปใช้แรงงานเขาไปกินแรงงานเขาเป็นได้นะเขตอบแค่นี้ก่อนก็นแล้วกันซีสเกตค่ะเปิดทีวีมาเจอโอ้ฝุกนเนาะได้ดูท่านเทพดีจังค่ะแม่นา น, านานมีคนชมเต็มเทพดีจังค่ส่วนมากเปิดเจอแล้วก็ผ่านไปเพราะว่าเทพก็มีเหมือนพระอื่นเขานะพระอะไรวะเทพอย่างเนี้ ไม่สํารวมเลยอะไรดูได้ดูท่านเทอดีจังค่ะตั้งแต่เช้าแล้วท่านสมณะทุกรูปเลยค่ะโอ้ดีจังไม่เคยได้ดูได้ฟังอย่างนี้เลยสีจีวรท่านแปลกแปลกท่านโพธิรักษ์ในอายุเยอะดูยังแข็งแรงนะคะสถานที่น้าตกดูสะอาดสะอ้านถ้าอยู่ศีสเกตฉันจะไปดูเลยค่ะอยู่แต่บ้านไม่เคยไปไหนค่ะรายงานผลมา อนุโมทนาที่เห็นดี <S <S เห็นงามในสิ่งนี้สนใจอันนี้ดีแล้วนะปฏิบัติต่อฟังต่อแล้วก็ปฏิบัติทำต่อจนะอเอาแต่ดูน้ำตกจะเอาแต่ดูฟังเพาะเพาะฟังเพลินเพลินเท่านั้นปฏิบัติไปเถอนะเรียนรู้เอาสาระเอาสิ่งที่เหมาะสมกับตนแล้วปฏิบัติไปตามลำดับนะต่อมาถ้าต้องการดับชาติต้องดับที่ปัจจุบันธรรม การคิดเป็นแค่มโนมยอัตตาแต่ถ้าเราดับไม่ทันหรือทำปัจจุบันนรรมไม่ได้แล้วพาไตรตรองใครครวนพิจารณาตามหลังและกำหนดว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกเราจะจับตัวกิเลสและดับอ่าและดับดับอะไรตัวนี้อ่านไม่ออก ทำให้อ่อนลงดับต่อไปนะว่าทําให้อ่อนลงดับอ่านไออกอ่านรับรับมันก็ไม่ใช่ภาษาไม่รู้ดับหรืออ๋อหรือแมคุณเขียนหือยังกับบรรยากาศอันเดียวอาจมาก็แมใช้วิชามอ ด, ดูหลายคนช่วยเลยนะอ่านไม่ออกหรื อ, อหรือคงเป็นหรือและ ดับหรือทำให้อ่อนลงให้ได้ในครั้งต่อๆไปเรียกว่าบุเพนิวาสานุสติญาได้หรือไม่คะและบุเพนิวาสานุสานุติญาต่างกับมโนมยาตายางไรคำว่าบุเพนิวาสานุสติญานั้นคือระลึก ถ, ถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้วผ่านมาหนึ่งวินาทีก็เรื่องบุพะรูเรื่องก่อด เห็นนิทานสมุทรแทบัจก่อนที่มันเกิดแล้วผ่านมาหลายวันผ่านมาหลายชั่วโมงผ่านมาหลายเดือนหลายปีก็ตามคือบุคเพใิวาสานุสติยานแต่เขาไปแปลก็ว่าระลึกถึงชาติก่อนก็เลยต้องมานั่งสมาธิให้มันระลึกปถึงชาติก่อนอเคยเกิดเป็นพพิชัยดาบผักเคยเกิดเป็นโลหะมาเคยเกิดเป็นโอโหวิเศษทั้งนั้นใหญ่ๆทั้งน้น เ, เกิดเป็นอะไรอะายสารพัด เกิดมาชาติก่อนไม่รู้ใครรับรองคุณลงไปเลอะเทอะไอชาติอย่างนั้นอย่าเพิ่งไปนึกถึงมันเลยบทเพนั้นิวาสานุสตยานคือการเกิดของเหตุปัจจัยการเกิดของรูปนามการเกิดของการสังขารปรุงแต่งกันมามีเหตุมีนิทานมีสมทุทัยปัจจัยต่างๆมันเกิดเรื่องราวขึ้นมานิทานคือเรื่องราวแล้วหาเหตุหาปัจจัย ตรวจสอบว่าเราได้ปฏิบัติรู้จักงี้รู้จักปัจจัยได้ดับเหตุที่เป็นสมุทยัยแห่งอกุศลหรือไม่ถ้าเราตรวจสอบทุกทีจะนั่งหลับตาทรระลึกชาติก็เป็นเตวิโชนั่งหลับตาตรวจถ้าจะตรวจไม่ต้องนั่งหลับตาก็ตรวจนี้ระลึกไปทงเรื่องที่ผ่านมานะก็มีจิตทบทวนตรวจก็ถือว่าเป็นการได้ตรวจสอบเป็นประโยชน์นะ เมื่อกี้มีคนถามมาเหมือนกันนะใช่ไหผ่านไปว่าควรทำให้ควรทำมันลงบัญชีมันตรวจสอบความจริงเป็นอุปการะมากแต่ไม่ใช่เหตุแต่ไม่ใช่ทางเอกทางเอกต้องปฏิบัติองค์เจ็ของมรรคลืมตานะแล้วก็ปฏิบัติสังกปะวาจากรรมันตาอาชิวะโดยมีวายามากกสติเป็นต า, ารนเอกช่วยแม่ทับใหญ่คือสมาทิฏฐิ แล้ก็ปฏิบัติจกนกระทั้งทําให้จิตเป็นเอกขตาได้ก็สั่งสมลงเป็นสมาสมาธิสมาสมาธิตามวิธีการของพระเจ้าที่เรียกว่าทําสมาสมาธิไม่ใช่ไปนนั่งหลับตาด้วยการสะกดจิตอันนั้นรู้กันทั่วบ้านทั่วเมืองรู้กันทั่วโลกและครองโลกด้วยแต่ของพระเจ้านี่เกิดได้เป็นคราวๆสมาสมาธิของพระเจ้านั้นเกิดได้เป็นคราวๆเมื่อหมดหรือเมื่อผ่านไปมันจะยากและมันก็จะเลือนเช่นปัจจุบันนี้เลือนไปเยอะ กืปฏิบัติไม่ได้ยังดีมากที่ยังมีตําราปฏิบิติกนี่ยังเก็บไว้ในเทระวะก็ยังมีในมหาจัตตารีสกสูตรปฏิบติกเรื่องี่เนี่ยตันะ้งแต่ข้อ252รถึงข้อ281นี่ไปตรวจ ด, ดูเลยนั่นแหละคือวิธีปฏิบัติสมาธิของพุทธนอกนั้นเป็นปฏิบัติสมาธิของทั่วไปนะซึ่งเป็นสมาธิที่ไม่ใช่อันเดียวกันกับของรพระพุทธเจ้าเพราะของพระพุทธเจ้านั้นไม่ต้องหลับตานะ แล้วเวลาจะหลับตาตรวจเป็นเทวิชโชก็ตรวจได้เอาของที่เราลึกที่ผ่านมาใช้สัญญาความเอาความจำดึงขึ้นมาเราดึกดู่ต่างๆนั่นนหรือจะดูว่าจิตของเราให้มันสงบงงสง อ, อ, อย่างนี้มันฟุ้งซ่านไหมก็ได้ก็ดูอุจักระกุศจจักระอย่างนี้เป็นต้นหรือดูที่เป็นกามเป็นพยาบาทที่มันไปเกิดเหตุการณ์เหตุนิทานสมุทยัยปัจจัยต่างที่าแล้วนะก็ทานะ ต่อมาการที่เราจะทราบว่าเราอย่างลงถึงที่เกิดหรือยังอย่างลงที่เกิดรู้ยังคือจับให้ได้ว่าเรามีนิวรณ์หาหรือไม่ใช่ไหมบางครั้งเราอย่างลงถึงที่เกิดแล้วแต่เรายังประหาะกิเลสไม่ได้ถือว่าเราอย่างลงถึงที่เกิดหรือไม่คะคุณอ่านจิตตรงไปจังทั้งสามารถที่จะรู้จักองประชุม ของจิตแล้วก็เจาะองค์ประชุมเรียกว่ากายไน่กายจนเข้าไปจากรู้ว่าอารมณ์จากองค์รวมกายคือองค์รวมเจาะลงไปถึงอารมณ์องค์รวมนี้มันเกิดภาวะอารมณ์หรือความรู้สึกนี้สุขหรือไม่หรือสุขหรือทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์อย่างนี้เป็นต้นเมื่อคุณสามารถอ่านแล้วก็แยกอารมณ์นี่มีอะไรเป็นเหตุก็คือจิตจิตในจิตก็คือ ราคาะโทะสะโมหะอาการของราคะายังไงอาการของโทสะยังไงอาการของโมหะยังไงหรืออาการของกามของพยาบาทมันยังไงอ๋อนี่ใช่ากาบอันนี้ใช่ปฏิบาิก็นั่นแหละเป็นตัวที่คุณสามารถอ่านมันได้ทีนี้คุณเองคุณยังถึงตรงนี้แหละเรียกว่ายัางถึงลงที่เกิดกิเลสมันเกิดตัวนี้ไงมันกําลังเกิดถึงแล้วแต่คุณถามมาว่า ยังไม่เรื่ละกิเลสไม่ได้ประหารมันไม่ได้ถือว่ายังลงอย่างล ง, ง, ลงแต่ยังประหารไม่ได้ยังไม่พน้นศีลและประับปรามาตยังปฏิบัติด้วยหลักวิชาหลักศีลโพธิปฏิบัติไม่ยังไม่ทําไม่สําเร็จผลยังไม่เกิดผลเพราะถ้าคุณทําได้แม้วิคัมพนัประหารแม้กดข่มมาให้มันเบาบางอย่างจางกลายลงก็ถือว่าคุณทําได้บางแล้วแต่ไม่ทาวรถ้าเป็นวิปัสสนารู้ด้วย กำลังของปัญญาเป็นพลังของปัญญาทําให้กิเลสมันลดเป็นไฟชานไฟที่มันความชัดแจ้งความชัดจริงความคมแหลมความมีพลังวสีอาํานาจของพลังปัญญาเนี่ยทำให้กิเลสมันยอมแพ้ต่อเหตุผลต่อหลักฐานต่อความจริงมันแพ้ความจริงอ่ะกิเลสมันแพ้ความจริงความจริงนี่มันจริงกว่าคราวนี้มันดีกว่าคราวนี้มันประเสริฐกว่าจริงๆ กิเล่มันลดลงคุณทำได้อย่างนี้ก็ยิ่งถึงใหญ่เลยอย่างลงใหญ่เลยอย่างลงสูนิพานเลยต่อมาจากพันธมิตรระยองหนึ่งโครงการพันพันพันคนบ้านราถึงจำนวนเท่าไหรแล้วครับไม่ไม่น่าถามลวงความลับเราเลย หลายปีแล้วยังไม่ถึงพันจำนวนเท่าไหรแล้วครับยังไม่เที่ยงบางที4ี0รบางทีห0 0บางที600อถ้ามีงานก็เกินพันแต่เขาไม่อยู่พอเสร็จงานเขาหนีหมดเลืออยู่ประจำบรรดาตเองบางคนก็ขอค้างอยู่ต่อก็ถึงบ้างยังไม่จบงานดีหรือว่าจบงานใหม่่ก็ถึงพันพอเลิกงานไปแล้วนานไปนานไปก็ลดลงพัน เหลือ500 4 0อยสี่ร้อยืมออกมาทำงานข้างนอกก็เหลือ200บางทีเหลือไม่ถึง200งก็พยายามอยู่นะเพราะว่ามันไม่ง่ายอัตมาท่าทราบซึ่งพระเจ้าท่านตรัสว่าเรื่องยากสิ่งที่ยากที่สุด3อย่างหนึ่งเกิดมาเป็นคนได้เกิดมาเป็นคนนี่เป็นเรื่องยากเอ่น่าจะพอได้ละมั้งในเวลาหมดแล้ว เอาละก็ดูดูมันก็น่าจะพอส่งมาสังส่งมานี่อาตมาตามคิวนะมาก่อนก็ตอบก่อนเพราะงินมาทีหลังนี่อาจจะไม่ได้ตอบแต่ถ้าใครยังคิดว่ายังไงก็เสี่ยงก็โทรมาก็แล้วกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ตอบไม่ได้นะว่าวันจะมีกันเท่าไหรเ่เมื่อไรเท่าไหร่แต่ก็าพยายามอยู่นะมันยากสามอย่างที่อาตมาว่าก็คือหนึ่งได้เกิดมาเป็นคน อาตมาอธิบายไปแล้ววันนี้ไม่มีเวลาเขาข้อผ่านนะทําไมมันเกิดมาเป็นคนมันถึงยากมันยากจริงๆเพราะส่วนมากมันได้เกิดมาเป็นคนเกิดปเป็นสัตว์นรกเยอะแล้วนานด้วยกว่าจะได้มาเป็นคนเพราะงั้นมันจึงยากได้เกิดมาเป็นคนแล้วนี่มันอยากให้เสียชาติเกิดเลยาอาตมาก็บอกแล้วแมชิงมาเกิดเปล่าๆให้มาตัวใดตัวนึงมาเกิดยันงดีกว่านะ่ะเสียดายจังนะอาตมาพูดอย่างนี้พูดให้มันหนาใจเขาไหมมัน กระทบมันแรงๆนั่นเกิดมาเป็นคนเป็นของยากสองพระพุทธเจ้าจะเกิดแต่ละองค์แต่เรื่องยากในวัตวสุศารหรือว่าในโลกในพบปางหนึงางนึ่งก็จะมีพระพุทธเจ้ากเกิดก็ยากแล้วถ้าพระพุทธเจ้าจะเกิดแต่ละองค์นะี่ยากคุณเข้าใจง่ายการเกิดมาได้เป็นคนเนี่ยแต่ละชาติแต่เกิดมาแต่ทีมันยากเนี่ยอาจจะเข้าใจยากกว่ากาเกิดพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าจะมาอุบัติจงค์ มันยากคนอาจจะพอเข้าใจง่ายอันที่สามนี่ยิ่งยากเลยเนี่ยเผยแพร่ธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าให้มันรุ่งเรืองมันยากพอกันก็พระพุทธเจ้าจะเกิดแต่ละองค์หรือว่าได้เกิดมาเป็นคนยากอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นจะเผยแพร่ธรรมวินัยของพรุทธเจ้าต้องของจริงเลยนะของถูกต้องเลยนะให้รุ่งเรืองเนี่ยเดี๋ยวนี้นะนะมันผิดผิด ธรรมพุทธเจ้าที่ผิดพลาดมันรุ่งเรืองตอนเนี้มันผิดนะมิจฉานะมันผิดมิจฉาทิฐิของพุทธเจ้านั้นรุ่งเรืองสมารถิฏฐิมันมันแย่แล้วตอนเนี้ขออภัยอาตมาพูดตรงพูดความจริงเอ้าก็พูดแล้วนะก็ยืนยันมาพูดไปแล้วนะไม่ได้เจตนาร้าย้วก็พูดความจริงทุกคนฟัง ต่อมาบอกว่าทิฏฐิองค์สินี้หมายถึงทิฐิอดีตสิทิฐิอนาคต44แต่ไม่รวมทิฐิปัจจุบัน5้ใช่ไหมคะไม่รวมถึงเรียกทิฏฐิหกสอธิบายไปแล้วก็เข้าใจกันยากอยู่เพราะว่าถ้ารวม18กับ44เนี่ยมันหกแล้วถ้ารวม5อีกที่เป็นปัจจุบันอนดีต18อนาคต44 62 ถ้ารวมปัจจุบันอีกหมันจะเป็น67ก็ไม่ใช่ทิฏฐิหกคนก็ต้องงงก็คนงงเนาะเพราะมันไม่รู้ถ้ารู้สัมันก็ไม่งงทิฏฐิอ ด, ดีกับอนาคตนะั้มันมิจฉาทิฏฐิแท้เพราะคนไม่รู้ว่ามันไปนยึดอดีตไปยึดอนาคตนะั่นแหะมิชา้าเพราะฉะนั้นอ ด, ดีตก็คือสิ่งที่เกิดแล้วแก้ไขก็ไม่ได้อนาคตก็ยังไม่เคยมีแล้วจะไปยุ่งอะไรกับมันมาก อย่าไปสร้างวิมานอยู่กับอนาคตท่านให้เอาปัจจุบันเพราะฉะนั้นตาลืมกระทบรูปเสียงกลิ่นรสเป็นปัจจุบันธรรมทิฏฐธรรมกับทิธรรมทิฏฐิทีทท่นี้ทิฏฐธรรมนิปฐิทิฏฐิเนี่ยหนี่ทิฏฐธรรมแต่ท่านบอกว่าทิฏฐธรรมนิพพานทำนิพพานให้ได้ในทิฏฐิทิฏฐธรรมนี่ทิฏฐธรรมทิฏฐปัจจุบันแปลว่าปัจจุบันทิฏฐานี่เดี๋ยวนี้เนี่ย ทำนิพพานได้ได้เดี๋ยวนี้นี่นต่างหากเพราะนั้นถ้าเผือว่าคุณเข้าใจนิพพานนี่ผิดห้าประการคนนึ่งไปยึด อ, อกกรรมเป็นนิพพานโดยไม่เข้าใจไม่รู้ตัวแล้วนะว่าตัวเองยึดกรรมเป็นนิพพานหรือเจตนาก็มีปกติเหยการมให้มันเต็มเนียวแล้วจะได้บรรลุธรรมอย่างนี้เป็นต้นซึ่งบาบาบาบานะหรื อ, อยังหลงอยู่ในรถโดยไม่รู้คําำการมและมาสุขตัวเองขึ้น ท่านประมวลทิฏฐิไว้หมดแล้วทิฏฐิห้าหกสินั้นน่ะมันเป็นทิฏฐิที่ผิดแท้แต่ทิฏฐิอีกหเนี่ยมีโอกาสได้นิพานถ้าสมาธิิเพราะฉะนั้นท่านถึงไม่จัด5้นี่อยู่ในทิฏฐิ62เป็นทิฏฐิผิดที่เดียวท่านก็จัดเอาไว้ต่างหากว่าอันนี้เลยเป็นตัวสําคัญที่ทิฏฐธรรมเป็นธรรมะอันเป็นปัจจุบันปฏิบัติอันนี้ให้สมาธิแล้วคุณจะได้นิพานถูกต้อง โดยอยู่กับการามอยู่กับองค์ธรรมที่มันเป็นฌานฌานลืมตาด้วยฌานหลับตาก็ได้ก็เป็นที่ผ่านท่าสมบูรณ์เป็นสมาธิทิฐิแล้วเพราะฉะนั้นทิฏฐิหนี้เท่านั้นเป็นตัวปฏิบัติแทนอีกสองอันนั้นใครงมงายอยู่ติดพบอยู่ทั้งสิ้นพบอนาคตกับพบอดีต ค่อยอธิบายละเอียดอัตมายิบขึ้นมาแล้วเจตนาจะพยายามอธิบายแต่มันไม่ง่ายที่เดียวยิ่งมีพยัญชนะอัตมายังไม่ได้อ่านยังไม่ได้ทวนดูเลยว่าพยัญชนะอะไรบ้างในอดีต18ในอนาคต44ส่เนี่ยส่วนหเนี่ยอธิบายมาตลอดเวลาห้าในอัตมาอธิบายมาอยู่ตลอดเวลาเพราะเป็นเป้าหมายและเป็นฐานปัจจุบันเป็นฐานที่ความรูเจ้าแท้ส่วนอดีต น, นาครเป็นเพิร์เจอร์นะ ต่อมาจากประทุมเจ็หนึ่งศูนอีกเนมนผ่านไปแล้วมาอีกเหรอธรรมะเข้มข้นเหมือนสีจีวรท่านเลยดูเหมือนดำไม่ใช่กลับโทรทัศน์ของคุณมันเพี้ยนสีมันก็เลยดำเอาเรื่องจริงขอ ง, ร ข, ของเราก็ปรับที่เพี้ยนเหมือนกันมันแค่มันไม่ถึงดำถึงยังไงมันก็แต่มันเข้ม ไม่รู้ละคุณเอามาใส่ในของคุณละมั้งในสีนี่คุณชอบเอามากันะอ่ามันคล้ำนะมันเป็นันซิกมันมันมันไ ม, ม, ม, ม่ใช่กลักอังก็ใช่มันคล้ำกว่กลักนะต่อมาจาก0857308บอกว่าการนั่งหลับตาสมาธิอยู่กับกระสินคือสมถะหลับตานะคุณก็เข้าใจถูกแล้วนี่นะการนั่งหลับตาสมาธิอยู่กับกรสินคือการสมรถะหลับตาถูกแล้ว การรู้เห็นอะไรแล้วก็ช่างหัวมันคือสมถะลืมตาถูกอีกถูกแล้วแล้วก็กระเด็นสมถะกันอยู่ตอนนั้นไม่มีวิปัสสนาคนก็ลืมตาเอายกมือนี่เรียกว่าวิปัสสนารู้เห็นอยงี้ยังไม่ไปไหนเรายังไม่วิปัสสนาเราเป็นแต่เพียงรู้เท่าทันสิ่งที่เคลื่อนไหวเท่านั้นเองมีสติรู้ก็สิ่งที่เคลื่อนไหววิปนะัสสนามันต้องเห็นไปอีกเยอะเลยปัจสติปัจจนาปัจสตนะมันไ้อีกอตังเยอะตังแยะ จะต้องรู hmm. ้ต้ oh. ้งเข้าไปถึงรูปและนามลึกเข้าไปเยอะแล้วก็วิจัยนามเราทำได้ถึงขั้นสัมปชานะสติสัมปชาโนสติสัมเปสัมปาเทติสติสัมปชลิตสติสัมปชลิตสติสัมปนตตะสติสัมปนาอะไรโอมีมากกว่านี้นะนี่อาจมาพูดนี่ยังย่อยยังแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นถ้าจะเอาละเอียดกว่านี้เนี่ยมีเป็นส0ๆสิเลยละเอียดกว่านี้ เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปคิดว่าเนี่ยจบแล้วยังมีละเอียดกว่า น, นั้น น, นี่ก็ทวงแล้วก็เห็นว่าคนที่สายปฏิบัติแต่สติเนี่ยแล้วมีเต็มไม่หมดเลยแต่ัะสนะบาสระนักโอ้โหเด่นมากเลยเรื่องสติแต่เสร็จแล้วไม่ได้เคยมีวิปัสนาญาณที่สามารถที่จะรู้ละเอียดครบวงจรของโพธิปักขยธรรมยังไม่รู้แจ้งในโมรโอตะหรือจารณะ15ยังไม่ชัดเจนในจารณะ้า ไม่สามารถรู้รูป28หรืออุปาทายรูป24ทําจนสำเร็จเป็นวิการรูป5และก็อาศัยชีวิตอยู่ด้วยลักคณะรูปสคุณยังทำไม่ถึงขั้นพวกนี้เลยนะพราครูดีใจใช่สิพราะครูดีใจได้ฟังทาถามตอบท่ารายการาคุณพ่อครูนี่คงเป็นคำทักทาย ดีใจในคงเป็นของคุณพวกครูดีใจคาทักทายัตมาพวกครูแล้วก็ของคุณก็คือดีใจที่ได้ฟังธทมถามตอบท่ารายการ อ, อันนี้อาตอมาแปลความตามพยัญชนะที่คุณเขียนมาพูดมาเทศกาลกินเจผู้น้อยกินเจแต่ก็ยังต้องกังวลทำอาหารเนื้อสัตว์ให้พ่อทานแล้วจะสะสมบุญเพื่อ พาตนพ้นวัตะได้อย่างไรคุณรู้รู้เรารู้เขารู้เจตนาลมตนเองเราไม่มีเจตนาลมที่ต้องการจะเป็นของเราแต่เรามีภาระจริงๆที่จะต้องทําเนื้อสัตว์ให้พ่อก็พยายามเป็นตัวอย่างให้พ่ อ, อ ก, กินแจกินมังสวิรัตเนียดีปฏิบัติให้มันเป็นคนเจริญยังไงคนดียังไงมีเยอะนะหลายครอบครัว จะเป็นแม่กินคนเดียวจนกระทั่งสุดท้ายลูกก็เห็นตามพ่อก็เห็นตามเห็นความดีเห็นความถูกต้องทำไม่หมดทำไปด้วยกันหมดโดยทางครอบครัวอย่างนี้ก็มีหลายครอบครัวลูกเอาก่อนทำก่อนพ่อแม่คอยตามทีหลังก็หลายครอบครัวทำไปไม่ต้องไปเนะี่มันเป็นวิบากของแต่ละคนเราจะไปบังคับกันนะพยายามทำเราอยู่ในฐานะที่เราจาเป็นเป็นภาระของเราจาเป็นจะต้องทแล้วก็ทาไปก่อน จะบอกถามว่าพ้นวัตถะได้อย่างไรคุณต้องแบ่งให้ถูกวันนี้เป็นหน้าที่เป็นสิ่งที่จะต้องเปี่ยมเป็นต้องทําแต่คุณทําใจในใจของคุณปฏิบัติมันจะเกิดอาการจิตโน no. ทำกันเนี่ยมันจะเกิดการเกิดพยาบาทเกิดต้องอานาการการกบาบาทย่างหยาบกลา ง, ล, า ง, าาา ล, างละเอียดให้ออกแล้วคุณก็อ่านใจมันไม่มีเออเขาทาไปโดยที่ท่านสายธรรมุธาชอบพูดว่าเสาร็จการเลยจิตว่าง สัมผัสในจิตว่างอะไรพวกนี้มันว่างได้ก็คุณทาให้มันว่างเพราะฉะนั้นพระอระหันต์จึงสัมผัสทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยทําให้กิเลสเกิดทั้งนั้นแต่ท่านจิตว่างอย่างพระอระหันต์จีกงเนี่ยท่านมันกินเหล้าท่านไม่ได้มีกิเลสอะไรท่านอานุโลมปฏิโลมาเข้าไปเท่านั้นเองท่านก็ทําไปพอสมควรแต่หนังมันไม่ทำมันมันปรุงแต่งมากเกินไป เมาเกินเหตุร้านจีกงเมาเกินเหตแต่ทัานก็อนุโลมพอสมควรเท่านั้นเองโดยจริงนะอาตมาจริงๆอัตมาก็ไม่รู้จักมักจีอะไรกันเส้จีกงเท่าไรหรอกแต่ว่าก็ขอพูดตรงตร ง, ตรงให้ฟังนะ อ, อีกสองประเด็นคนะงไม่มาอีกแล้วนะเพราะว่าหมดเวลาแล้วความสุขของตนที่หามิได้ยาก ก็แสดงว่ามีเยอะสิมีความสุขเยอะสิความสุขของตนที่หามิได้ยากคืออยู่ในโลกของความเงียบถอดเครื่องช่วยฟังออกทำงานท่ามกลางความเงียบบ่ได้ยินเสียงใดกลับไปอยู่ในโลกวิญญาณอันไรอายตนาหกไรสังขารตัวตนได้ความสงบของใจจริงแม่พูดมาสั้นกันจังไล อาตมาต้องมานั่งใช้วิจารย์ตรวจสอบภาษามันหมายความว่าอะไรกันบ้างวุเนี่ยนะความสุขของตนที่หามิได้ยากมีเขียนมาไม่รู้เขียนมาถูกตรงหรือเปล่าไม่รู้นะคนเขียนมาก็อ่านตามนี้ความสุขของตนที่หามิได้ยากแสดงว่ามีมากคืออยู่ในโลกของความเงียบนี่เรียกว่ามีสุขเพราะอยู่ในโลกของความเงียบก็ถอดเครื่องฟังเครื่องช่วยฟังเนี่ออก ทำงานท่ามกลางความเงียบบอได้ไม่ทำงานในการท่งางกลาเสียงดินเสียงใดกลับไปอยู่ในโลกวิญญาณบอไ ด, ได้ยินเสียงอบอได้มันไม่วักให้ได้มันอยู่ทางโน้นอาอตมาก็อ่านต่อกัไปสิอยากให้มาต่อข้างล่างก็แหมจะวักหน่อยก็ไม่ได้บอได้ยินเสียงใดกลับไปอยู่ในโลกวิญญาณอันไรอรยตนาหกก็เลยไปเงียบอีกน ได้ย <c oughs> <c oughs> ินไหมอะไรสังขารตัวตนเอาไปอยู่ในอายตนะหกไม่มีอีกกางเกา่ารารสังขารตัวตนได้ความสงบของใจจริงก็ไปหลงสงบเท่านั้นเอง <c oughs> ก็ไม่ได้ทำอะไรมาอธิบาย บอกเหตุบอกปัจจัยของตัวเองมาเอาตั้งใจฟังต้องใจเรียนรูแลก็เปิดเสียงฟังด้วยมันเดี๋ยวมันไม่ได้ยินแสดงว่าคนต้องใช้เครื่องฟังแล้วอ่าอ่าใบสุดท้ายช่วงกินเจ อ, อธิษฐานอยู่เรื่อยว่าขอเป็นลูกศิษย์คนกินเนื้อสัตว์เป็นชาติสุดท้ายอ่าวดีอ่าขอกินเนื้อสัตว์เป็นชาติสุดท้ายถ้าวิบากกรรมต้องมาเกิดใหม่ขอให้เกิดเป็นลูกคนกินมังสวิรัต ได้มาเพ็นต่อในชาติต่อไปจะเป็นไปได้ไหมเป็นได้ถ้าคุณประกอบเหตุปัจจัยนั้นครบการอธิษฐานคือการตั้งใจแล้วทำตามที่ตั้งใจให้เหตุปัจจัยครบได้ถ้าคุณตั้งใจแต่ไม่ปฏิบัติให้เกิดเหตุปัจจัยครบไม่ได้นตอบยิงเขาเป้าไกลร้อยพันเมตรอ่าโหวันนี้เป็นนักแม่นปืนยิงเป้าพันเมตร และเป่าก็แค่เป้าจุดเท่ากับเส้นผมด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเองคุณเอาแต่อธิษฐานไม่ปฏิบัติให้เกิดเหตุปัจจัยครบไม่ได้อะไรแต่ถ้าเพิ่มว่าปฏิบัติแม้แม้แมอธิษฐานและปฏิบัติเหตุปัจจัยครบได้จ่อยได้เลยนะเอาละตอบสั้นๆชัดๆแล้วสําหรับวันนี้เลยเวลาเขาไปอีกนิดหน่อยจะเริ่นทำทุกคน